ภัยมืดภัยก็คือขันห้านะคันห้านั้นมันถูกไฟเผาหรือว่าถูกภัยคือชราภัยคือปยาธิภัยคือมรณะเล่นงานแล้วก็อาศัยคันห้าเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสและอุปายาตย่างชอบใจคำของพระโพธิสัตว์ที่ท่านถามอันเตวาสิก ถามลูกศิษย์ของท่านท่านมีลูกศิษย์อยู่ห้าร้อยในลูกศิษย์ห้าร้อยนี่ทุกคนเนี่ยนะพอเรียนจบความรู้จากสำนักของอาจารย์แนะก็นึกว่า อ, อ, อาจารย์หมดความรู้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับอาจารย์อาจารย์ก็อยู่อาจารย์ไปเราก็อยู่ของเราไปแสดงว่าอาจารย์รู้อะไรเราก็รู้เท่ากับอาจารย์นั่นแหละคือต้นเหตุของพระสูตรนี้ก็เหมือนกันว่าภิกษุห้าร้อยรูปนะ พระพุทธเจ้าถ้าแสดงธรรมะก็วัจนะสองลิงสามวิพัตเจ็ดเทศก็ไม่เห็นพล น, นี้สักทีนึงเพราะฉะนั้นเราฟังไม่ฟังก็เท่าเดิมเหมือนกันเลน้ น, น, นได้อุปนิสัยที่มีมานะมาตั้งอดีตชาติ น, นก็คือภิกษุห้ารอรูปนี่แหละนี่ในอดีตชาตินั้นพระ อ, อ, อาจารย์เนี่ยนะที่สอนความรู้นี่ก็เลยถามลูกศิษย์ว่าท่านทั้งหลาย มีสิ่งหนึ่งเขาบกงั้นเธอถูกเขาบอกว่ามีสิ่งหนึ่งอะกลืนกินสัตว์ทั้งหลายและตัวมันเองว่างั้นถามว่าอะไรลูกศิษย์เนี่ยนะซึ่งเคยบอกว่าขอให้อาจารย์กระขยับปากเถอะนะรู้หมดแล้วว่างั้นแต่เงียบเลยนึกไม่ออกเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบก็แล้วกันไปวันหลังมาก็ตอบไม่ได้ นั่นแหละตอนหลังอาจารย์ก็บอกว่าการเวลานั่นแหละกลืนกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวมันเองเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่กลืนกินการเวลาเหมือนกันท่นเวลาเช้าสายบ่ายเย็นมันก็จะหมดไปเรื่อยดวงอาทิตย์ขึ้นมาในยามเช้ายังไงพอได้เวลาดวงอาทิตย์ก็จะระบบหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะจากนาทีเป็นชั่วโมงนะจากหลายๆชั่วโมงก็เป็นช่วงยามช่วงเช้าสายบ่ายค่า น, นะก็เป็นภาค เป็นกลางวันเป็นกลางคืนหลายๆวันคืนก็เป็นอาทิตย์หรือเรียกว่าสัปดาหลายหลายสัปดาห์ก็เรียกว่าเดือนหลายๆเดือนก็เรียกว่าปีสิปีเรียกว่าทศวรรษทศนะถ้าในรอบสิบปีสิบครั้งเรียกว่าศตวรรษในรอบพันปีเขาเรียกว่าสหศวรรษนะรอบพันปีในรอบปีเหล่านี้เนี่ยมันก็หมุนเวียนไปในลักษณะนะั้นทีนี้สิ่งที่ที่จะต้องเข้าสู่ระบบอันนี้ก็คือ อย่างๆชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยพอเกิดมาอย่างนี้เข้านะระบบพวกนี้ก็จะดึงไปด้วยนะวิบากกรรมาชโลกของเราก็จะสุดโทมตามนั้นไปเรื่อยๆการเวลานี้จะกลืนกินชีวิตของเราทีละเล็กทีละน้อยรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามนะการเวลาก็จะกินเราเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆแต่ทีนี้ของเรานี้ใช้การเวลาแบบคนมีหนี้คือหมายว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเวลานี้เราทำหนี้ใหม่ตลอด ปัญหาเหมือนกับเจ้านี้แ่แหละมันก็เลยทํานี้กับทุกๆอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเจออารมณ์ที่ดีก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนานๆยาวๆอยากเป็นอย่างนั้นดีนะถ้าไปเจออารมณ์ที่ไม่ไม่น่าไม่ดีก็ต้องการอารมณ์ใหม่ที่ดีกว่านั้นเจออารมณ์ธรรมดาก็อยากให้มันพิเศษขึ้นกว่านั้นอีกดังนั้นเราก็เลยสร้างนี่ชีวิตตลอดโลภะก็ยินดีติดข้องในอารมณ์นั้นๆ กรรมก็ทําหน้าที่ของกรรมไปชีวิตก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นวันคืนล่วงไปล่วงไปชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นไปและลักษณะนี้แต่ว่าชีวิตที่เป็นไปตามลักษณะนี้นั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยน้อยนิดหน่อยเป็นเหมือนกับหยาดน้ำค้างบนยอดยอดนะดวงอาทิตย์ขึ้นมาเดี๋ยวก็หมดละ หรือภาชนะดินที่นายช่างหม้อปั้นไว้แล้วเนี่ยนะที่สุดก็คือความแตกดับชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็จะแตกดับในลักษณะเดียวกันท่านแม่น้ําที่ไหลลงจากภูเขากูบาศีวิชัยมีอยู่คข้างหนึ่งที่ท่านกลับไปทางใต้แล้วนะท่านไม่มาเชียงใหม่อีกแล้วท่านบอกว่าท่านน้ําปิงไม่ไม่ไหลย้อนนะท่านไม่กลับมาท่านก็จะไม่ย้อนกลับในลักษณะเดียวกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะที่น้ําปิงจะไหลย้อนขึ้นดอเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อขึ้นพอปฏิสนธิปั๊บเนี่ยนะก็จะเป็นใปเรื่อยแล้วจะไม่มีย้อนกลับไปอีกแล้วเราจะถอยไม่ได้ไม่มีไม่มีเกียร์ถอยสักอย่างเลยมันก็จะมีแต่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันชีวิตของเราเราจะลืมเราจะเพลินเราจะอะไรก็ช่างชีวิตของเราก็จะต้องถูกใช้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแต่เชื่อไมว่าสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะ รูปร่างกายของเราเนี่ยเป็นส่วนของบุญนะเป็นผลของบุญถ้าหากว่าเราไม่มีบุญกันนะตาของเราจะไม่เป็นลักษณะนี้เลยนะตาของเราก็พร้อมที่จะพิการหูก็พร้อมที่จะเสียจมูกก็พร้อมที่จะอนอุดตันหายใจไม่ได้ลิ้นก็พร้อมที่จะเน่าจะเปื่อยอันอวัยวะทุกส่วนนี่นะเชื่อว่าเป็นผลของบุญขนาดผลของบุญยังแก่ยังชราขนาดนี้เลยน่แหละ ไม่ต้องกล่าวถึงผลของบาปว่ามันจะเจ็บปวดทรมานขนาดไหนเสร็จแล้วเราก็ทำกรรมไปเรื่อยมันชีวิตของเราที่ได้อยู่เนี่ยนะร่างกายเนี่ยเป็นผลของบุญสติปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยนะเป็นผลของบุญเป็นอุปนิสัยของบุญถ้าเราไม่ได้ปฏิสนธิด้วยทวิเหตุหรือติเหตุเป็นต้นนะเราจะมานั่งอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าหากว่าเราปฏิสนธิด้วยอาเหตุกะเราก็จะอยู่น่นแหละ สถานที่ที่เลี้ยงคนปัญญานะคนไม่เต็มนะนะต่คนปัญญาอ่อนนะผู้ที่ปฏิสนธิด้วยอเหตุกาก็คือจะเป็นพวกบ้าใบาบอดนวกอันปฏิสนธิจิตเหล่านี้ที่ที่มาหล่อเลี้ยงชีวิตของเรานะั้นส่วนใหญ่ก็จะลืมกันลืมกันว่านี่เป็นผลของบุญนะถ้าปฏิสนธิจิตเนี่ยมาจากมหาวิบาศมหาวิบาศนนั้นเป็นผลของบุญบุญที่ทำให้มีชีวิตยืนยาวอยู่นะ เป็นผวังที่สืบเนื่องเลิกคิดเมื่อไหร่ก็ลงสู่ผวังพอคิดอีกนะก็ไอผวังนั้นก็เป็นอุปนิสัยให้ความคิดบางคนชั่วแว๊ดหนึ่งคิดอะไรได้มากมายมหาศาลเหมือนกับเป็นคนที่มีสติมีปัญญานะเหมือนกับว่าสำนวนหนังสือเล่มหนึ่งก็บอกกูแน่นะเคยเคยเห็นนะหนังสือกูแน่ก็ไก่จะอูตัวบเริ่มเลยนะกูแน่บางอันเนี่ย นึกว่านึกว่าสำคัญว่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยผวังคจิตอันนั้นเนี่ยเป็นผลของบุญพวังอันนั้นเนี่ยนะเป็นอุปนิสัยแห่งความนึกคิดถ้าพวังอันนั้นเป็นอเหตุกะปฏิสนธินะเราจะคิดอะไรไม่ออกเลยเราไม่สามารถมีสติมีปัญญานะถึงเราโกรธเราก็จะวางแผนทำชั่วบางอย่างไม่ได้เป็นต้นนั้นผวังคจิตนั้นมีความสำคัญต่อความคิดของเรา ที่เรานึกคิดอยู่ทุกวันเนี่ยในความคิดของเราเหมือนเป็นอมตะเชื่อนะว่าภวังขจิตซึ่งเป็นพื้นฐานก่อนที่จิตจะขึ้นสู่วิถีนั้นเป็นชาติวิบากเมื่อชาติวิบากเหล่านั้นเนี่ยถ้ารูปเสียหายไปผวังขจิตนั้นก็เสียหายด้วยแล้วผวังขจิตนั้นเป็นผลของกรรมเมื่อเป็นผลของกรรมนั้นผวังคจิตก็มีขอบเขตจํากัดนะที่เรียกว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีขอบเขตจํากัดในการเป็นอยู่ พลังงานนั้นมีขอบเขตจำกัดที่เป็นอยู่ความคิดเราก็จะเป็นลักษณะนั้นงนั้นเราจะเพลินไปคิดเรื่องอะไรก็ตามเอาชวนะไปคิดเรื่องอะไรก็ตามภวังกจิตก็จะหมดไปตามนั้นงนั้นเราใช้ชีวิตในในส่วนที่พระองค์ใช้คำว่าประมาทดงนั้นพระองค์จึงตำหนิความประมาทเหมือนว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายเนั้นเถิดังนั้นความประมาทเป็นทางแห่งความตายชีวิตของศาสตร์ทั้งหลายที่ประมาทก็เหมือนกับชีวิต แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นเองอเมื่อชีวิตที่ประมาศเหล่านี้เราก็พากันทําสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลให้กับตัวเองถ้าหากว่าจุติจิต ด, ดับปั๊บเนี่ยนะเราคิดดูนะว่าวันนี้เนี่ยถ้าวันนี้เกิดจุตินะอันนะไม่ได้พูดให้เสียวนะแต่ว่าให้คิดนะว่าถ้าวันนี้เราเกิดต้องตายเราจะมีอะไรเป็นอารมณ์ต่อไปในพรุน้าเราทํากุศลพอที่จะเลือกเกิดได้หรือยัง นะพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัท ธ, ธาศีล ส, สุตะจาระปัญญาปรารถนาจะเกิดพบใดก็สําเร็จได้ของเรานี้จะเอากุศลตัวใดเป็นเป็นตัวนําเกิดว่างั้นเถอะสามารถที่จะน้อมจิตให้ไปเป็นไปกับอารมณ์นั้นแล้วก็ปฏิสนธิในภพใหม่นะถ้าเราเลือกไม่ได้นะการศึกษาธรรมะของเราก็น่าสงสารที่สุดแสดงว่าสุตตะของเราไม่เพียงพอเพราะถ้ามีสุตตะเพียงพอแล้วปรารถนาจะเกิดพบใดก็ได้นี่เป็นพุทธพจน์นะกล่าวว่าอย่างนั้น ทันศรัทธาศีลสุตะจากข้าปัญญานั้นเราต้องสา ม, มารถที่จะอ บ, บรมแล้วน้อมไปเพื่อพบต่อไปทั้นชีวิตของเราก็เหลือน้อยนิดเดียวทันชีวิตถึงเราจะอยู่อย่างนี้ก็ตามนะเราจะประมาทแต่ละวันแต่ละวันด้วยเหตุผลใดๆก็ตามวันเวล า, เ ข, าเข้าไม่สนใจกับเราเนาะวันเวลาเขาก็จะหมดของเข้าไปเรื่อยเราจะบอกว่าเออฉันมีธุระสาคัญมากเลยนะต้องโทรูลสักวันหนึ่งว่างั้นเถอะสำคัญมากอืม คุณก็สําคัญของคุณไปชีวิตของคุณก็จะตั้งแตกดับไปตามธรรมชาติสิ่งที่คุณคิดด้วยโทสะก็บาปไปนะมันเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้สิ่งเหล่านี้นะตรัสรู้ความจริงของเหตุของปัจจัยแล้วเอามาแสดงมาแต่งตั้งมาบัญญัติมาเปิดเผยให้สาวกทั้งหลายรู้นะเพื่อที่จะได้ปฏิบัติกับความจริงเหล่านี้ให้ถูกต้อง การปฏิบัติความจริงเหล่านี้ให้ถูกต้องปฏิบัติอย่างไรนะปฏิบัติด้วยมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นในชั้นต้นนี่ทําความรู้จักสิ่งนั้นๆให้ถูกต้องก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะว่าอะไรเป็นอะไรก่อนอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกรรมอะไรไม่ใช่ผลของกรรมอะไรควรเจริญอะไรไม่ควรเจริญนะพยายามที่จะสังวรสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้มากๆ ถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่มีการสังวรนะเ ป, นเป็นปุตตุชนที่เป็นอันท่าปุตุชนจริงๆเลยกัลยาณปุทุชนก็คือปุตุชนที่มีสังวรนะสังวรวินัยกับปะหาวินยัยนะสังวรหาปหานะหนั่นคือกัลยาณปุตุชนถ้าความนึกคิดของเราทั้งหลายไม่เป็นไปกับสังวรเหล่านั้นนะจะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นนะ่ะห่างไกลพระตนะตายจริงๆ ชีวิตของผู้ที่ห่างไกลพระรัตนตรัยนั้นเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากสังสารวัตเนี่ยนะเป็นคนตาบอดคลําทางเดินเองแต่ถ้าหากว่าชีวิตความนึกคิดของเรานะมีพระรัตนตรยัยมีคําสอนเป็นเกาะมีคําสอนเป็นที่พึ่งเราก็อย่างน้อยที่สุดตาบอดแต่ก็จับเชือกเดินนะจับเชือกเดินเพราะอะไรเพราะว่าขณะที่เราเดินแต่ละก้าว ถ้าจับเชือกคือพระัตนตรายโยพระัตนตรัยนี้ก็จะแนะนำเป็นยาหย่อตาไปด้วยนะรักษาทุลีในดวงตาของเราไปด้วยนะก็จะกำจัดราคะกำจัดโทสะกำจัดโมหะซามาที่จะทำให้เรามองเห็นบุญเห็นบาปมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราเดินทางของเราเองเนี่ยนะเราเป็นมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นในขณะนั้นเราก็ไม่รู้ตัวว่ามีโทษเดินผิดทางแล้วนะ มิจฉาสังกปะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ตัวอีกมิจฉาวาจาพูดชั่วพูดคำหยาบเราก็ยังไม่สํานึกยังไม่รู้ตัวเองเอานะกายกรรมที่เป็นไปกับบาปอากุศลก็ยังสําคัญว่าถูกต้องนะอาชีพซึ่งมันผิดศีลผิดธรรมเป็นไปเพื่อทุกโทษแก่ตัวเองก็ยังว่าใช้ได้ไม่เป็นไรนะความพยายามเหล่านั้นเนี่ยนะเพียรพยายามเพื่อทําบาปทํากรรมขยันเหลือเกินนะสะสมมิจฉามากก็จะเพิ่มพูนพอกพูนบริบูรณ์ อย่าลืมว่าคําสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นคําสอนเพื่อเพื่อให้เข้าใจความจริงสิ่งเหล่านี้นะให้รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านี้ถ้าเห็นจริงๆเนี่ยนะใช้คําว่าเห็นเนี่ยเห็นนี่แปลว่าอะไรนะทางธรรมเราเรียกว่าแปลแปลเห็นบาลีว่าเรียกว่าอะไรนะทัศะนะนะเป็นทัศนะอาศัยอะไรจึงเห็นอาศัยจกักษุนะาจากักษุมีสองอย่างมังสะจกสักษุกับ ปัญญาจักสุน ะ, ะปัญญาจักสุกับมังสาจักสุนีแ่แปลว่าตาเนื้อกับตาต า, ตาธรรมะหรือตาปัญญาเพราะฉะนั้นคําสอนของพระผู้มีพระภาคก็สอนให้มีตาปัญญาที่จะมองเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้เพะั้นธรรมะจักสุนี่นะหมายถึงโสดาปติมักเป็นต้นที่สา ม, มารถที่จะมองเห็นอริยสัจได้นะจักสุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวันนี้ทุก นี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาขามิ น, นีปฏิปทาอันข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาก็คือข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดจักสุทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดวิชาทําให้เกิดความรู้ทําให้เกิดแสงสว่างนะสา ม, มารถที่จะยังถึงวันนี้ทุกขาริยสัจนี้ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้ทุกขนิโรธอริยสัจอ่าที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยตั้งกระต้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอริยสัจไง น, นะชาติชราพยาธิมรณะความเป็นไปของชีวิตทั้งหมดเหล่านี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นทุกขสัจจะชีวิตที่เราเดินเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ละครั้งเป็นกรรมนะทั้งนึกคิดทั้งกายกรรมทั้งคำพูดเจือด้วยอำนาจโลภะอันนี้เป็นสัจจะไหมเป็นนะเป็นสัจจะไหนเป็นสมุทยัยสัจเป็นต้นเหตุแห่งกองทุกนี้ทั้งหมด กล่าวเมื่อกี้ว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดปัญญามองสิ่งเหล่านี้อย่างตลอดสายนะสามารถที่จะละสกายยะทิฐิเป็นต้นจากสิ่งเหล่านี้ได้อันนั้นเป็นมักสักนะผู้ที่สามารถมองเห็นที่สุดของสิ่งเหล่านี้ได้นะั่นแหละเรียกว่าเห็นนิโรซักเพราะการเห็นเหล่านั้นก็สุดแท้แต่ปัญญาแต่ที่เราเห็นอย่างนี้ได้ก็อาศัยมีพระัตนะตรัยเป็นเป็นผู้ชีน้นา ท่นเราทั้งหลายก็คงไม่สามารถที่จะทิ้งพระรัตนตรัยได้ท่านชี้ให้เราเห็นอะไรพยายามที่จะเห็นตามนะเพราะว่าเรากับท่านเนี่ยเห็นคนละอย่างนี่แหละยังไงยังไงปุตุชนก็เห็นต่างจากพระอริยะคนละอย่างนี่แหละพระอริยะบอกว่าไม่เที่ยงเราบอกเที่ยงพระอริยะบอกว่ามันเป็นทุกข์เราสนุกน น, นมันก็ตรงกันข้ามหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเห็นตามถึงเรายังไม่เห็นแต่ก็ มีภิกษุหลายรูปสมัยพุทธกาลท่านบอกว่ า, าข้าพระองค์ได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ว่าน้ําตาของเราทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัดตะนี้มากกว่าน้ําในมหาสมุทรคือไม่เห็นเองหรอกแต่ว่าศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาว่าพระตถาคตนั้นไม่ได้ตรัสหลอกลวงเราอะไรเพียงให้เห็นว่าเออเนี่ยสังสารทุกข์เนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะ พอแล้วละที่จะเบื่อหน่ายพอแล้วละที่จะคลายกำนัดแต่ถ้าหากว่าเราไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำนัดนะโลกนี้มีโทษหรือไม่มีโทษนะมีโทษโทษของสิ่งเหล่านี้คืออะไรบ้างเราเคยรู้ไหมว่าอะไรคือโทษของชีวิตของเราเลยนะ อ, อชีตามานวิกาปัญหาว่าโ ล, วโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้ใช่ไหมโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้โลกอันอะไรฉาบทาไว้ อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกนะเขาบอกว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้เนี่ยคืออะไรโลกอันาวิชชานี่หุ้มห่อไว้อะไรเป็นเครื่องฉาบทาลูบไล้โลกเอาไว้ตัณหานี่เป็นเครื่องฉาบทาลูบไล้โลกให้พลิ้นไปกับอารมณ์อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกนะอะไรเนี่ยนะทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกทุกข์คืออะไรนะทุกข์นะ ถ้าไล่เลยนะในร่างกายของเราตั้งกต่หัวจรดเท้าเนี่ยโรคกี่ชนิดนั่นแหละคือทุกทั้งหมดเลยนัย่นแหละทุกส่วนเลยนะะลองหยิบสักส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นตัวโรคมาให้ดูหน่อยนะอันถ้าร่างกายนี้เมื่อวานนั่งดูไอรังหมดแดงเออแล้ ว, แ ล, วแล้วนึกถึงคําสอนที่ว่าร่างกายเราเนี่ยเหมือนปรังของโรคไหมไหยนะอันส่วนไหนที่จะโรคจะไม่เบียดเบียนเนี่ยไม่มีที่เราทั้งหลายเนี่ยนะโรคไม่เบียดเบียนส่วนหนึ่งเรามีบุญนะนะ ถ้าหากว่าบุญไม่มีเนี่ยนะถ้าเจออากาศบางอย่างพร้อมที่จะแพ้ทันทีเลยเจอฝุ่นบางอย่างพร้อมที่จะแพ้นะมันพร้อมที่จะเป็นไป ต, ต่างๆนานาแต่ทำไมร่างกายของเรามีภูมิต้านทานบางคนเนี่ยนะรักษาสุขภาพดีๆตายซะแล้วป่วยก็บ่อยด้วยก็มีมีนายกนายกชวนเนี่ยนะเขาออกออก ม, มีมีงานวันแม่ด้วยอะไรเนี่ยก็ออกมาพูดว่าคุณแม่ของนายกชวนเนี่ยกินกาแฟทางานดึก อายุอยู่ถึงวันเนี้คุณพ่อเนี่ยเป็นครู้รักษาสุขภาพอย่างดีเลยเสียไปตั้งนานแล้ว <c oughs> นั่นแหละเพราะไม่มีความแน่นอนในะร่างกายเราเนี่ยเพราะฉั้นบางทีเนี่ยเรามองข้ามว่าบุญเนี่ยนะมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงอุ้มชูเราเขาเรียกว่าอุปธรมพกกรรมหล่อเลี้ยงอุ้มชูเราอย่างดีเลยใช่ไหมบางคนนี่ทานอาหารผิดคําเดียวแค่นั้นเองป่วยเลยนะเพราะถ้ากรรมบางอย่างจะให้ผล เพรร่างกายของเราเหล่านี้เนี่ยเป็นร่งของโรคเสร็จแล้วถึงไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยโรคคือชราเป็นต้นก็จะเบียดเบียนแล้วโรคคือมรณะก็จะเล่นงานนะแล้วก็ถึงโรคเหล่านี้ยังไม่เบียดเบียนนะโรคโรคที่จะต้องพราดพลากจากของรักของชอบใจก็จะเข้ามาเล่นงานแล้วนะแล้วก็โรคคือราคะ ก็เผาโรคคือโทสะทุกคือจากโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเนี่ยก็แพดเผาให้กลัดกลุ่มร้อนรุมอยู่ตลอดเวลามันดิ้นจนไม่รู้ว่าหยุดเป็นยังไงร้อนจนไม่รู้ว่าเย็นเนี่ยเป็นอย่างไรหรือคนหนาวจนไม่รู้ว่าความอบอุ่นนี้เป็นอย่างไรสตาทั้งหลายที่มากไปด้วยราคะมากไปด้วยโทสะก็จะเป็นในลักษณะนั้นคิดอยู่อย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะ ระดับหนึ่งแล้วเอามาพิจารณาเอามาตรึกตามให้มันเห็นความสงบสักระยะหนึ่งให้มันเห็นความแตกต่างกันไอความทุกข์อันนั้นเนี่ยเรา ก, ยาก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าเราเนี่ยทุกข์จริงๆนะถ้าถ้าจิตเราไม่เป็นไปกับกุศลเป็นนานๆยาวๆได้เนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าโอ้ชีวิตที่เป็นไปอยู่เนี่ยทุกข์จริงๆว่างั้ น, นจะไม่รู้ถึงความสงบด้านอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นมีเจ้าคนหนึ่งเป็นเป็นกษัตริย์ว่งั้นเถอะ เป็นคนหนุ่มกําลังพรั่งพร้อมเอิบอิ่มไปด้วยกามคุณก็เลยไปถามเรื่องฌานแกแกสัมมาเนนนะสัมมาเนนนี่ฌา น, นนี่มันเป็นยังไงก็บอกโอ้ยอย่าถามอัตมาเลยอย่างนั้นเถอะถ้าหากว่าอัตมาเล่าให้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเป็นความลําบากของอัตมาเปล่าๆก็บอกก็เล่าเถอะอ่สัมมาเนนก็เล่าให้ฟังบอกโอ้เป็นไปไม่ได้โอ้เป็นไปไม่ได้ไไมันนั่นแหละ คือมันก็เป็นในลักษณะนั้นนะ่ะก็บอกว่าคนที่ขึ้นอยู่บนยอดเขากับอยู่ตีนเขาเนี่ยนะคนที่อยู่บนยอดเขาก็จะมองเห็นวิวทวทัศน์เป็นต้นคนที่อยู่ข้างล่างก็จะมองไม่เห็นคนที่หมกมุ่นอยู่ในกามหมกมุ่นอยู่ในกา ร, มกมการคลุกคลีในสีเสียงเปลี่ยนรถมากๆจะไม่รู้เลยว่าเนคข ม, มสุขเนี่ยเป็นอย่างไรจะนึกไม่ออกเลยนะจะจะนึกไม่ออกแต่เมื่อได้เนคข ม, มสุขระดับหนึ่งแล้วจึงจะรู้ได้แต่เนคข ม, มสุขเหล่านั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้ดีนะ ก็จะไปหาอยู่ที่เงียบเงบนึกว่าจะได้ไม่ได้นะถ้าหากว่าไม่เข้าใจพระธรรมคําสอนไม่สา ม, มารถที่จะเอาพระธรรมคําสอนเนี่ยไปตรึกไปเพ่งไปพิจารณาถ้าตรึกเพ่งพิจารณาไม่ได้เราปฏิบัติอะไรจะนึกไม่ออกเลยน ะ, ะปุตชนอันทะาปุตชนกับกัลยาณนะ์ปุตชนมีความแตกต่างกันอันท่าปุตชนคือปุตชนที่หนาไปด้วยราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสอกุศลมากๆ แต่ถ้ากลาลยานะปุตุชนก็คือปุตุชนที่ได้ยินได้ฟังร่ำเรียนเรื่องขันธาตุอจตนะเรียนเรื่องสัจจะมามากแล้วก็ไปตรึกตามนั้นไปพิจารณาตามนั้นในการตรึกการพิจารณาเหล่านั้นขณะนั้นนั้นก็จะเป็นสังวรเป็นปัตสีลสังวรเป็นสติสังวรเป็นยาณสังวรเป็นขันติสังวรวิริยะสังวรนะก็จะเป็นไปกับสังวรและจะเป็นไปกับ ปหานะนะตะทางค่าประหารและวิขำพนะประหารแล้วก็ถ้าหากว่าได้ตะทางค่าประหารวิขำพนะประหารจนบริบูรณ์ก็จะได้ปฏิปัติสมุทเฉทประหารปฏิปัสสัที่แรกก็นิสระณะประหารถ้าสังวรหรือถ้าวินัยหรือกุศลธรรมเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นชีวิตของเราก็ขณะนั้นๆเราห่างจากพระัตนะตรายจริงๆเลยห่างจากพระพุทธเจ้า อย่าลืมเมื่อเช้าคุยกันว่าเรานับถือาศาสนาไหนกันถ้าเัาถามอย่างนี้นะเออบอกโอาถามอย่างงี้แหมมันปัญหากอไก่เหลือเกินอย่างไง้บอกาศาสนาพุทธลองอธิบายคําว่ า, าศาสนาพุทธซิหมายคำว่าอย่างไงใช่ไหมคําว่าพุทธหมายคำว่างไง ร, รู้รู้อะไรใช่ไหมเราเนึกเลยนะเออพศาสนาพุทธศาสนาแปลว่าคําสอนใช่ไหมส่วนใหญ่จะแปลว่าคําสอน คำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมเขาจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมเพราะท่านรู้อริยสัจเพราะคำสอนในพุทธศาสนาก็คือคำสอนของผู้ตรัสรู้อริยสัจผู้ที่มองชีวิตอย่างตลอดสายแล้วแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยประกาศให้รู้นั่นแหละเพราะคำสอนทั้งหมดอย่าลืมว่าคำสอนของพระอรหรันต์ที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพุทธเพราะท่านตรัสรู้อริยสัจ นะตรัสรู้ด้วยตัวเองด้วยนะตรัสรู้แบบสัพพันญูสิ้นเชิงว่า ง, งั้นแต่ไม่มีอะไรที่ท่านไม่รู้ท่านรู้ทั้งหมดบริสุทธิ์บริบูรณ์ท่านจึงเรียกว่าเป็นเป็นพุทธน ะ, ะพุทธคำสอนของท่านเรียกว่าพระพุทธศาสนาอันเราทั้งหลายมีโอกาสได้ศึกษาคําสอนของท่านอั้นคําสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นคําสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายส่วนใหญ่จึงมีรถเดียวใช่ไหมต้องไม่ลื้ คำสอนของท่านทุกสูตรเลยนะน้อมไปเพื่อตรัสรู้อริยสัจทั้งหมดเลยถ้าเราไม่เอาเรื่องอริยสัจมาตั้งเอาไว้ตั้งกับต้นเลยนะเราศึกษาผู้ศาสนาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจบเมื่อไร่จบยังไงนะเราจะไม่รู้ เ, เรียนไปทำอะไรนะยิ<ม>่งเรียนมากๆเข้าเหมือนลงลงไปในมหาสมุทรนะจะไปไหนเนี่ยมาทาอะไรเนี่ยเลี้ยวซ้ายก็ไม่เห็นฝั่งเลี้ยวขวาก็ไม่เห็นฝั่งเอ๊ะจะไปไหนเนี่ย นั่นแหละศึกษาผู้ศาสนานะถ้าศึกษาไม่ดีจะลักษณะนั้นเลยนะถ้าอ่านพระไตรปิกวเจอเล่มโน้นก็เงียบเล่มนี้ก็แล้วโอ้โหเล่มแต่ละเล่มเนี่ยนะเล่มที่สามสี่ร้อยหน้าเนี่ยมีหรือเปล่านะสามรอยหน้าเนี่ยมีที่เหลือนี่ยห้าร้อยหน้าเจ็ดร้อยหน้าแปดร้อยหน้าพันกว่าหน้านะพันสองร้อยก็มีนะส่วนใหญ่ก็เป็นพันเนี่ยเยอะนะห้าร้อยไปหาพันเนี่ยมากเพราะฉะนั้นในแต่ละเล่มแต่ละเล่มเหล่านั้นเนี่ยเอออ่านไปทําอะไรเนี่ย อ่านไปอ่านมาก็ยังจับเรื่องไม่ได้เลยว่าท่านอยากให้เรารู้อะไรนะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจคําว่าพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นว่าศาสนาของผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจอันคําสอนทุกส่วนของท่านเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจคําสอนเกี่ยวกับเรื่องศีลนี่เป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจไหมเป็นไหมยอยู่ในส่วนไหนอ่านะผู้กาเไม่ธรรมดานะไม่น่าแนตะ่เป็นหัวหน้าเลยอศีล นะเราต้องดูว่าอริยศัสตร์มีสีนะทุกสมุทยัยนิโรธมักคำสอนว่าด้วยสีนอยู่ในสายมัคคสัตต์ประเภทสัมมาวาจาสัมมากรมตะและสัมมาอาชีวะเขาเรียกว่าถอดแบบฟอร์มมาจากอริยมรรคหน่อยนึงนะแต่ก็ยังมีส่วนอื่นอื่นอีกนะแต่ถ้าคำว่าสีนจริงๆแล้วกว้างนะศีลมีกี่อย่างนะศีลคืออะไรเจตนาศีนนะเจตสิกีลสังวรศีลและ ความไม่ล่วงละเมิดเป็นศินศินสี่อย่างจําให้ดีเลยนะแต่ว่ารู้ศินห้าอย่างเดียวรู้ศินห้อย่างเดียวก็ดีอ่ะเราบอภัยศินหบางทีเขาไม่ค่อยเรียกว่าศีนห้านะเขาเรียกว่าภัยเวร5ประการนะไอ้าข้อนี่เขาเรียกว่าภัยเวร5ประการแต่ก็บางแห่งเขาเรียกว่าศีลอยู่เหมือนกันแต่น้อยมากที่จะใช้คําว่าไอสินห้าเนี่ยนะสินห้าสินดเนี่ยเราในพระไตรปิฎกอัตถกถาเนี่ยไปหาเถอะหายากแต่ถ้าภัยเวร5ประการเนี่ยบอกอยู่มีหลายแห่ง ว่าเป็นภัยเวรหประการถ้าใครล่วงอย่างเงี้ยปานาติบาสเนี่ยล่วงจะภัยทั้งโลกภัยทั้งในภพนี้ภัยทั้งภพหน้านะอทินนาทานภัยทั้งภพนี้ภพหน้าการมีสุมิชฌาจารย์เนี่ยเป็นภัยทั้งภพนี้และภพต่อๆไปนะทุกข้อเลยแต่ถ้าหากว่าศีลเ น, นี่ยนะภาษาพุตร ท, ท่านบอกว่าเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลความไม่ล่วงละเมิดเป็นศีล นะเสร็จแล้วในเจตนาก็ยังมาแบ่งประเภทประเภทประเภทจัดมาเหลือเป็นเป็นไปกกายวาจาและก็อาชีพนั่นแหละก็มาจัดระบบแต่ว่าสรุปแล้วกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านั้นอยู่ในสายสายมัคคสัตต์จริงๆแล้วศีลธรรมดาทั่วไปเป็นทุกขสัตต์แต่เป็นทุกขสัตต์ที่เป็นไปเพื่อมัคคสัตต์เป็นอุปนิสัยแก่อริยมรรคกุศลเป็นอุปนิสัยแก่กุศลด้วยอํานาจอุปนิสัยปัจจัยนะกุศลก็เป็นปัจจัยแก่กุศล ทุกขสัต ท, ที่เป็นไปแก่เป็นปัจจัยแก่มกษัตรินั่นเองดังนั้นถ้าเราศึกษาเข้าใจโครงสร้างนิยามคร่าวๆก่อนเราศึกษาพุทศาสนาจะไม่ถึงกับยากเกินไปนะถึงฟังถ้อยคําส่วนนี้เอ๊มไม่เข้าใจเลยนะเอ๊มพูดส่วนไหนกันแน่แต่แต่อย่างที่ผู้การพูดปรารภตังณฑ์ต้นเลยนะพูดเรื่องอะไรนะผู้ฆ่าใช่ไหมผู้ฆ่ามาระมานคํานี้อยู่สัจจะไหนกล่าวถึงทุกขสัตว์อยู่ นะกล่าวถึงโทษภัยของทุกขสัตว์อยู่ปัญญาที่เข้าไปเห็นทุกนั้นเรียกว่าสายมกักขัตรว์นะั้นสามารถมองเห็นสัจจะเลยนะแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดมา น, ะนั่นแหละเรียกว่าสมุทัยศัสตรนะ์อันทั้งคำเหล่านั้ น, น, นประชุมลงอริยศาสตร์ได้หมดนะถ้าท่าศึกษาคําสอนให้ให้เข้าใจแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่หนักเกินไปนะเพราะอริยศาสตร์มีอยู่สคําเองนะแล้วก็ใส่กิจลงไปหน่อยทุกขสัตริย์ควร ปริญญาญัตกิจนะกำหนดยังไงเหมือนแตะรถรู้ปะ่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะใช้พอนึกคาว่ากําหนดปั๊บเนี่ยนะขีดไว้เออเนี่ยจังไหมเนี่ยนะอันนี้แหละกนะกําหนดแบบนั้นอนะ่ะไม่ใช่ติ๊กไม่ใช่โน้ตนะไอ้กำหนดเนี่ยกำหนดแปลว่าอ่านดูนะไอ้กําหนดในเนี้แปลว่าปริญญาต้องต้อ ง, องไม่ลืไมไปคำว่ากําหนดเมื่อไหร่เนี่ยตรงนั้นแปลว่าปริญญานั่นแหละอันปริญญามีอยู่กี่ระดับนะสามระดับทบทวนหน่อย คือถ้าไม่ทบทวนเรียนไปเรียนมานี่ไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เรียนไปเรียนมาเอ๊ก็เหมือนกับไปทะเลจริงๆเลยนะจะไปไหนมาถามโยมคนหนึ่งกระเคืองเราหน้าดูเลยเขาเรียนไปทําไมจบแล้วมันได้อะไรมันดียังไงจบเมือ่อไหร่เครียดเลยคนถามเนี่ ย, ค น, นยคนถูกตอบนี่เครียดเล ย, เ, ยเพราะตัวเองไม่รู้จริงๆนะพวกนี้เป็นปฏิฆาณิมิตศึกษาไปศึกษามายังไม่รู้ว่าจะศึกษาไปทําอะไรเลย นะตอบผิดๆสุทุกเนะตอบตามไม่ไม่ตอบตามคําสอนเลยซ้ําไปนะักว่าไปเรื่อยนั่นแหละแสดง ว, ว่าเป้าหมายจริงๆนั้นไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้นเมื่อไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้นเนี่ยนะก็เหมือนเข้าไปในห้างสรรพสินค้านะไปเจอโน่นก็เดี้ยนนี่ก็งางเออมาซื้ออะไรกันแนมะ่ลืมเลยลักษณะนั้นศึกษาคําสอนเหมือนกันศึกษาพระมิหารอยู่ในสายสัจจานัยทำไมพระมิหารนี่มาเรียนเรียนในสัจจะไหมเป็นไหมอ่า ตัวเข้าเองเป็นทุกขสัตว์นะเป็นทุกขสัตว์แต่เป็นประเภทพาเวตาปรธรรมเป็นธรรมที่ควรจเจริญพาเวตาปรธรรมนี่ก็คือสมทโทจะวิปัสนาจะนะสมถะและวิปัสนาเป็นธรรมที่ควรจเจริญแต่ถ้าเมตตาทั่วไปนะเป็นเป็นอะไรเมตตานั้นก็คืออโศกเจตสิกอโศกเจตสิกเป็นทุกขสัตว์ แต่ทุกขสัตที่ควรเจริญนะเอางี้นะอากุศลควรทํำยังไงละกุศลนะเจริญเอ้แล้วแล้วกุศลนี่เป็นได้กี่สัจจะกุศลนี่เป็นสัจจะเท่าไหร่อ่ากุศลนี่เป็นสัจจะสองเป็นทุกขสัตท์กับมรรคสัตนะอ่ามหากุศลจิตแปดมหากตากุศลก็เอาเป็น เทวกษัตนะริยมรตมีองค์8เป็นมรคสัตว์ที่เหลือเป็นสัตวจาวิมุตตินั่นแหละนก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเออที่เราศึกษาเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโครงสร้างใหญ่เนี่ยอย่างไรนะก็จะอยู่ลักษณ ะ, ะนี้ท่ามหากุศลวิปัสสนานี่เป็นมหากุศลมหากุศลเนี่ยนะในระดับตีระปริญญาเนี่ยต้องพิจารณาแม้แต่ปัญญาสมมตินะว่า ปัญญาที่พิจารณารูปประคันโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาปัญญาอันใหม่เนี่ยเกิดขึ้นพิจารณาปัญญาที่พิจารณารูปประขันนั่นแหละว่าปัญญานั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกและเป็นอนัตตามันก็ต้องพิจารณาซ้อนกันอย่างเงี้ยเป็นสิบครั้งนั่นะนั่นแหละท่านบอกว่าโดยโย ม, มกโตะคือ น, นี่กโดยย ม, มกโตเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะมันสา ม, มารถที่จะต้องพิจารณาแม้กระทั่งว่าปัญญาที่พิจารณาเองก็ไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่ได้สอนให้ว่าเจริญปัญญาแล้วก็ยึดติดกับปัญญาอยู่นั่นแหละพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าแม้แต่ธรรมะพระองค์ยังสอนให้ละจะกล่าวไปยัยถึงอธรรมเล่าใช่ไหมแม้แต่กุศลจิตที่เจริญขึ้นก็ยังสอนให้พิจารณาให้ละอีกนะกุศลจิตที่เราเจริญก็เหมือนกับเรือเหมือนกับแพไปถึงฝั่งแล้วไม่ต้องแบกไปด้วยหรอกนั่นแหละ กุศลจิตก็จะต้องเจริญลักษณะนั้นเพราะจะต้องพิจารณากุศลจิตด้วยถ้าไม่พิจารณากุศลจิตกุศลจิตก็เป็นเป็นสุภาณิมิตได้ไหมได้กุศลจิตเป็นปฏิฆานิมิตได้ไหมได้ไหมอ้าวกุศลไม่เกิดก็ทุกแล้วนะอันกุศลก็เป็นปฏิฆานิมิตก็ได้กุศลจิตก็เป็นอุเบกขานิมิตได้ถ้าพิจารณากุศลไม่ดีนะ ถ้าคิดถึงกุศลเนี่ยนะถ้าคิดในลักษณะคำหนึงเราห้อยหาก็เป็นเป็นโลภะนะหรือมุ่งหวังแต่ถ้ามุ่งหวังส่วนใหญ่นะถ้าถ้าปรารถนากุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นกุศลเท่านั้นที่จะฝักใฝ่ายในกุศลแต่บางคนก็จะจะไปทํากุศลบางอย่างเพื่อที่จะไปอวดคนอื่นอีกครั้งหนึ่งก็มีถ้าลักษณะนี้ก็เป็นนะเป็นด้วยอํานาจของโลภะเป็นเชือ้อเฉะนั้นกุศลเนี่ยพระองค์ก็สอนให้ ให้ละนะเออให้ให้รอบรู้นะส่วนหนึ่งเนี่ยสอนให้ทำปริญญาญาถ้าอธิบายกุศลในลักษณะทุกขศัตร์แต่ถ้าอธิบายกุศลในลักษณะนะเป็นไปเพื่อมกศัตร์อันนี้สอนให้เจริญแต่สรุปทั้งเจริญทั้งรอบรู้ด้วยปริญญาสามใช่ไหมเพราะพ่อชองนี่ท่านว่าไงพ่อชงบอกว่าเมื่ อ, อ น, นะพูร้รวมๆเลยนะเมื่อพ่อชงมีอยู่ณนะภายในจิตก็รู้รู้ชัด เม <Mandy. S 2> ok ื่อพ่อชองไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดพ่อชองที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยยังไงก็รู้ชัดพ่อชองที่เกิดแล้วจะบริบูรณ์ได้ยังไงก็รู้ชัดอีกครั้งมันก็ต้องรู้เพราะพ่อชองแม้แต่พ่อชองในระดับวิปัสสนาก็ยังเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาด้วยนะอันนี้เราก็กล่าวถึงนิยามของการศึกษาคร่าวๆก่อนนะว่าพยายามกําหนดทิศทางของการศึกษาไว้ให้ดี นะไม่งานเออพอไปเมตตาก็ไปเรื่อยที่ไหนกันโน้นท่านกับวากับท่านไปด้ว ย, ยจบเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละเพราะวิชา ท, ที่ที่ของเอามาเอามาบรรยายส่วนใหญ่เนี่ยนะก็จนกว่าจะรู้อริยสัจรัรู้อริยสัจเมื่อไหร่ไม่ต้องมานะจบละมาบอกเออมาเหมือนกันมามาบอกดเลยมันรู้ยังไงกลับมาแนะนําคนบอกเลยเ อ, อย้อนไปที่เรื่องเมตตาคืนนะ เรื่องเมตตาในหน้าสนะิบเอ็ดนะอ้เรียนมานานแล้วนสิบเอดหน้ า, นาพระท่านบอกว่าเรียนเป็นบรรทัด น, น์มั้งเป็นไงหายโกรธบ้างขึ้นไปเยอะแล้วเนะอะมีกุศโลโบายทั้งสิบอย่างในการระงับความโกรธใครจำได้ทั้ข้อไหมนคนโกรธ บอกว่าความโกรธเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมืดนะความโกรธเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยก็มืดหลังนั้นคนโกรธนะเมื่อวานไปที่วัดวัดหลวงพ่อจเจ้าคณะอภัเขียนในป้ายเลยกุฎโทกุฎโทรธทำมังปัปสติแปลว่ากุฎโธนี่แปลว่าความโกรธทำมังแปลว่าธรรมะธรรมะในที่นี้ได้แก่สมุทัยศาสตร์กับมัคคสัก ณปัจสติปแปล ว, ว่าย่อมไม่เห็นคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมนะขณะที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะเห็นสมุทยมัยสัตว์ไหมไม่เห็นนะเห็นมรรคสัตว์ไหมไม่เห็นคนโกรธย่อมไม่รู้ธรรมะธรรมะได้แก่ทุกขสัตว์กับนิโรธสัตวนะ์ธรรมะนี่นะธรรมะได้แก่ทุกขสัตวกับนิโรธสัตว์ ขณะที่โกรธเกิดขึ้นก็จะไม่เห็นสัจจานั้นอีกนะไม่เห็นสรุปแล้วขณะที่โกรธเกิดขึ้นก็ไม่รู้อริยสัจนะคนโกรธย่อมไม่รู้อัฏฐ่ย่อมไม่เห็นธรรมะเมื่อใดความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยมันมืดไปหมดเลยแหละแล้วก็ภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะคนโกรธก็จะไม่รู้สึกจะจะไม่รู้สึกเลยนะจะไม่สํานึกเลยขณะที่โกรธสํานึกต่อเมื่อกุศลและจิตเกิดขึ้นแล้วอ้าเสียหายแล้วถ้ากุศลไม่เกิดนะ ฉันท่ก็จะเกิดเออดีดี ด, ดีโกรธมากๆแจ้วนีส่งเสริมกันด้วยนะแต่ถ้าคนโกรธในตรงนี้เนี่ยในิยะตรงนี้เวลาเจริญเมตตาลองไลงงง่ลำดับของการเจริญเมตตาก่อนอีกครั้งหนึ่งว่าลําดับของการเจริญเมตตาเจริญยังไงก่อนชั้นแรกเจริญให้ตัวเองเจริญว่ายังไงหนึ่งนะขอข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์เลยสองขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความ ความทุกข์เลยข้าพเจ้าจะได้มีเวรเลยจะได้มีความเบียดเบียนให้มีความสุขบริหารตนให้เป็นสุขเถอะอย่างเงี้ยเคยคิดหรือเปล่ากศทุกเจ้ะมาไห น, นคิดถึงครึ่งห้องหรือเปล่าลูกเคยคิดให้ตัวเองมีความสุขนะเขาบอกว่าถ้าข้อแรกยังคิดไม่ได้เนี่ยโหลําดับอันนี้แทบแทบจะรู้เรียนเรียนเอาบุญอย่างเดียวในในภาคในภาคการเจริญนี่คงอ่อนเต็มดีเหมือนกันชั้นต้นเลยนะ เจริญให้ตัวเองก่อนในโลกนี้ทุกคนเกิดมาหาความสุขทั้งนั้นใช่ไหมของเราก็กําหนดทิศทางเออเราเกิดมาหาความสุขนะอวยชัยให้พรนะอ่าเขาเรียกว่ามงคลคาถาให้ตัวเองอะนะมงคลก็คืออ่าเหตุแห่งความเจริญนะคาถาก็คือคําพูดคําพูดที่เป็นคาถาเป็นมงคลให้แก่ตัวเองนั่นแหละว่าให้ข้าพเจ้ามีความสุขเนอะนะให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์เลยนะให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรเลย ว่เาเวนคืออะไรอีกเอาไปกันใหญ่เลวครับนี้นะ ค, คือคือเวนก็คือคนที่มีความขัดแย้งสูงนนขอ่ะนะเขราอย่าได้มีความขัดแย้งในลักษณะนั้นเลยว่างั้นเลยเราอย่าได้มีความทุกข์ทั้งทางกายทุกข์ทั้งทางใจอย่าได้มีความเบียดเบียนนะอเบียดเบียนในที่นี้ก็คืออย่าได้มีโทสะเลยว่างั้นเลยอย่ากโกรธนะอย่ากโกรธนคนโกรธไม่มีความสุขหรอก ทำยังไงนะเราเจึงจะไม่ค่อยโกรธเนี่ยนะขอให้อย่ากโกรธนะเออตั้งจิตที่ดีให้แกตัวเองนะออลักษณะนี้เรียกว่าเจริญเมตตาให้ตัวเองเออทําจิตให้มันสงบเย็นในลักษณะนี้แล้วคิดต่อไปออนะพวกนี้อย่าลืมว่าเป็นวิตกะนะเป็นอะไรวิตกะอัพพยาปาทวิตกะนะอัพพยาปาทาวิตกหรืออัพพยาปาทสัญญา สัญญาที่ควรเจริญวิตกที่ควรเจริญนะครับตัวเมตตาไม่เกิดสักทีเอาวิตกไปกันแล้วกันนะคืออัพยาปาทาวิตกและ อ, าอาวิหิงสานิกรุณาแต่ตอนนี้เรียกว่าอัพยาปาทาสัญญาและก็อัพยาป า, าทาธาตนะได้สามชื่อนะ 1. อัพยาปาทาวิตกสองอัพยาปาทาสัญญาสาม อพยาปาท่า ท, ทา่านี่เป็นทา่าชนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นทา่าชนิดหนึ่งแต่ทาต่าชนิดนี้ควรเจริญ น, นะเ่เจริญให้ตัวเองเสร็จแล้วเจริญให้แกแกคนที่เราเคารพนะเราเคารพใครมากยำเกรงใครมากทำไมเขาจึงน่าเคารพเพราะบุคคล น, นั้นมีคุณธรรมบุคคล น, นั้นประกอบไปด้วยศรัท ธ, ธาประกอบไปด้วยศีล กอไปด้วยสุตตะประกอบไปด้วยจากขะหรือมีสติมีปัญญาเนี่ยนะอ่าร ะ, ะลึกถึงคุณข้อใดข้อหนึ่งของเขาแล้วก็เจริญไอห้าห้าคำเป็นต้นเนี่ยนะไปให้เขาขอให้มีความสุขนะนะขอให้คนที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าเนี่ยนะมีความสุขใครเคยนึกถึงนางวิสาขาป ะ, ะเคยนึกไหมเคยนึกนะรู้จักชื่อปะ่ะรู้เนอะชื่อเคยได้ยินน ะ, ะนางวิสาขานี่เป็นภระรยาไหม เ ป, เป็นพระโสดาบันใช่ไหมเป็นนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ ท, ทุ่มทําบุญมากที่สุดใ น, ในบรรดาหญิงทั้งหมดเลยนะในผู้ศาสนาเนี่ยนางวิสาขาทําบุญมากที่สุดเพราะงั้นแต่เป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนะี้ถ้าเรานึกถึงนางวิสาขาเนี่โกรธไหมไม่โกรธนะทำยังไงเออขอให้นางวิสาขานางวิสาขาอยู่สวรรค์ชั้นไหน อยู่ในสวรรค์ชั้นนิมมานรารดีเออทีแรกเจริญหาใครไม่ได้เจริญหานางวิสาขาก่อนก็ได้นะขอให้นางวิสาขามีความสุขอใช่หมออถ้าผู้กลางก็เจริญให้อนาถบินิกะเศรษฐีกันออขอให้อนาถบินิกะอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตมีความสุขเไยหาคนเจริญเมตตาไม่ได้นะเอาอนาถาเลยเออยังไงท่านยังไม่นิพพานคะรับอู้ว์อนาถบินิกาเนี่ยนะโอ้โหทำไมมีชีวิตเนี่ยมากไปด้วยทานมากไปด้วยศีลเป็นต้นเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับความสุขเต็มที่ อันขอให้นาถาบินติกานี่มีความสุขสเสวยที่พยาวิมานนานๆยาวนานก็ว่าไปใช่ไหมอืมแต่ก่อนนี่ผมไม่เคยคิดเพราอารมณ์ของก <c oughs> ารเจริญเมตตาเนี่ยที่ว่าเป็นสัตว์นี่นะแต่สัตว์อยู่ในสวรรค์นี่ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจช่ค่ะใช่แล้วก็เอ๊ะทำไมไม่ยักคิดถึงนะทั้งที่น่าจะคิดถึงเพราะมีคุณธรรมเยอะ กลับไปเออขอให้พระสมบัติจงมีความสุขเออเ ด, ด, ดินดูหนนะขอให้อาจารย์บุตสมองมีความสุขนะเพราะผมทําตามที่ว่านี่นี่ครับผมว่าตึกตามนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าพ่อตึกกับผู้ที่มีคุณธรรมมีภูมิมีปัญญานี่มีศรัทธามีศีลนี่เป็นปอย่างนั้นจริงๆริงแล้วทให้เราส บ, บายใจนะแล้วก็คิดว่าท่านมีความสุขจริงๆด้ดวยนะคร แต่ไม่ยักคิดถึงอนาถบินทิกาไม่คราวนี้เขาคิดใหม่แล้วคราวนี้ทําใหม่เใหม่นะคราวนี้เอาใหม่เใหม่ใช่ไหมอ๋อไม่ได้เจริญให้อนาถาบินทิกาเศรษฐีใช่ไหมเจริญให้อนาถบินทิกะเทพผบุตรเจริญให้นางวิสาขาเทพพธิดาเออไม่ได้เจริญให้คนตายนะเจริญให้เทวดา อาเจนพรนาะธาบินทิกานี่เกิดในสวรรค์เช่นดุสิตนางวิสาขาเกิดในนิมมนานร<ล>ดีถารู้ว่าเราจะเรีนให้คนตายหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าเขาตายแล้วใช่ใชอย่างอนาขอให้อนาธาบินทิกะเศรษฐีผู้สร้างวัดคนนั้นอะ่ะมีความสุขอันนี้ไม่ต้องหรอกไม่ไม่ต้องนะอย่างนี้ไม่ต้องเลยแต่ว่าขอให้อนาธาบินทิกาเทพบุตรจงมีความสุขอันนี้คนรัเจ้าแล้วนะคนลชาติเลยคนละงงานเลยนะหรือไม่ถ้าเรานับถือมหาพรหมใช่ไหมขอให้เท้ามหาพรหมมีความสุขใช่ไหม หรือเ อ, อจิตตะคือราฮาบดีนี่เป็นพระอนาคามีท่านตานยแล้วไปเกิดเป็นมหาเป็นพรหมชั้นสุาาดท้ายวัดขอให้จิตตะจิตตะพรหมนั้นะมีความสุขเถิ อ, อย่างไงนะเจริญมหาคนมีคุณธรรมก่อนแล้วค่อยมาหาพวกเราทั้งหลายเนี่ยหาคนธรรมดาบางทีมันนึกไม่ออกเลยนะหาคนดีๆก่อนเจริญ ห, หรือ<ะ>ไม่อาชาติศัตรูอ๋อเนเจริญให้โอ้โหสัว์นรกอาชาติศัตรูมีความสุขเถิดอย่างนี้ว่ากาชาติศัตรูนี้ อ, อยู่ในโลหะกุมพี อันนั้นก็สัพเพเจริญให้สัตว์นรกไม่มีได้ใช่ไหมแต่เจริญได้แต่แหมมันจะเมตตาหรือเปล่าโอ้ยชัวจริงๆเลยพ่อยังฆ่าได้ยังไงต่อด้วยโทสะยอะไรยังไงแต่ก็ให้พยายามนึกถึงคนดีๆไว้นะแต น, นทำดีไ้เยอะอก็ส่วนใหญ่ก็<อ>ไม่เคยนึกตอนนั้ น, นอกพเพราะว่าตอนนี้พระเจ้าชาติสัตรูนั้นอยู่ในโลหกุมพีอยู่ในนรกน้น ว่าถ้าเจริญพระเจ้าอาชาติศัตรูจริงๆเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเจริญให้คนตายนะแต่ว่าขณะนี้สภาพของท่านก็คือเป็นเป็นสัตว์นรกมันเราก็เจริญในฐานะท่านเป็นสัตว์นรกไปแต่ว่าจะมัวาดเตียวัน่อยกาลังใจไม่ดีนึกถึงอะไรจะจะไปเยี่ยมท่านหรือเปล่านี่หรือไม่ก็เจริญให้แก่พรก็ได้นะเจริญให้พรก็ได้ หรือเจริญให้พระอรหันต์ที่อยู่ในในสุทธาวาสก็ได้นะให้พระอรหันต์ที่อยู่ในสุทธาวาสก่อนก็ได้พระอรหันต์ที่ที่ท่านไปอยู่ในพรหมใช่ไหมท่านยังไม่นิพพานอ่ะพอท่านไปเกิดในพรหมโลกปุ๊บท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็อยู่ไปเรื่อยท่านไม่ได้นิพพานเลยนะท่านก็อยู่ไปจนสิ้นอายุขัยท่านจึงจะจุตินะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็มีอยู่ก็เจริญให้พระอรหันต์เหล่านั้นท่านมีความสุขอย่างนี้นะก็เจริญให้พระอรหันต์บ้างไงถ้าท่านเจริญให้พระพุทธเจ้าในอนาคต ต้องออส่วนใหญ่ก็ต้องนึกถึงพศีอาร์่อยนะ ก, ก็ต้องนึกถึงพระ อ, อ, อะไรนะศีอานโพธิสัตว์นะให้โพธิสัตว์มีความสุขอย่างี้นะไม่แล้วจะนึกได้ทุกประงคงได้หรือเปล่าครับอ๋อถ้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าลักษณะเจริญพุทธานุสตินะคือคือแต่ว่าเมตานั้นจะไม่ไม่เชื่อมลักษณะนั้นหรอกนะเมตตานี่ไม่ถึงกับเชื่อมในลักษณะนั้น แต่ว่าเมตานั้นก็คือเจริญถึงสัตว์ที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยนะนึกถึงว่าเออสมมติในสวรรค์ชั้นต่างๆเอออย่างเช่นสวรรค์ชั้นจาตุมนเนี่ยนะเท้าจาตุมมหาราชนี่ก็เป็นพระอริยะสาวกเป็นพระโสดาบันให้เท้าจาตุมมีความสุขความเจริญเถิดนะเจริญให้เทาา้าสกะยังไงเท้าสากะนี่ก็เป็นพระโสดาบันก็จเจริญให้เท้าสา ก, ะกะก็ได้ หรือเจริญให้เท้าสรรดุสิตนะอย่างเช่นเทพบุตรที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้มีสติปัญญาในส่นดุสิตเนี่ยก็เจริญเมตตาให้เข้าไปนึกถึงสวรรค์ชั้นนิมมานารดีก็เจริญให้นางวิสาขาเนึกถึงปรนิ ม, มิตตวสวัสดีก็หาผู้ที่มีคุณธรรมในสวรรค์ น, นั้นเจริญให้ก่อนเสร็จแล้วก็เจริญไปหาพรมก็ได้พรมที่เป็นพระอริยะพรมที่เป็นพระอนาคามีก็เยอะแยะนะถ้าจะเจริญจริงๆก็พอมีคนให้เจริญอยู่หรอก ไม่มีใครถึงกับเลวมากมายหาคนดีคิดไม่ได้แล้วนะี้นนะถ้าเจริญก็พอได้นี่ก็เจริญให้แก่คนเหล่านั้นต่อเป็นบุคคลที่ที่สองนะแล้วก็บุคคลที่สามกลุ่มที่สามประเภทที่สามที่เราจะเจริญให้ต่อไปก็คือนะเพื่อนเพื่อนทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะนะเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้ที่เราคุ้นเคยนะให้เขามีความสุขเสร็จแล้วปราถนเจริญเมตตาให้แก่คน คนทั่วไปที่เราจะเจริญให้ก็เช่นคนบ้านใกล้เรือนเคียงเราก่อนก็ได้นะเสร็จแล้วก็มาละแตเป็นตรอกซอกซอยตามถนนหนทางกลายเป็นภูมิประเทศในส่วนหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอหนึ่งจังหวัดหนึ่งแล้วก็กลายไปเป็นภาคจากภาคเป็นประเทศจากประเทศก็สู่ทวีปจากทวีปก็สู่ทั้งโลกเลยจากทั้งโลกก็เป็นจักรวาลเลยกนะี่แล้วก็เป็นไล่ล้ายจักรวาลเลก็เจริญเขค่อยพอกพูนไปในลักษณะนี้ แต่ท่านึกอก่อนที่จะเจริญให้คนกลางๆ ก, ก็เจริญให้แกใครนะเพื่อนก่อนใช่ไหมเจริญให้เพื่อนเสร็จเจริญให้คนกลางๆเจริญให้คนกลางๆเสร็จแล้วเจริญให้ใครคนที่มีเวนน่ะเวนแต่คนนั้นนะทีแรกก็อย่าเพิ่งนึกถึงเขาคนนั้นเลยคนที่เราเกลียดที่สุดเนี่ยนะแต่ถ้าเราทําเป็นลืมใช่ยากทําเป็นลืมเพราะเวลาเจริญไปในทิศนั้นเมื่อไหร่เขาคนนั้นอ uh, ่ะโผล่มาทุกทีเลไอย่างเงี้ยโถสะทุกที เขาก็มีอุบายในการระงับความโกรธใช่ไหมเรากล่าวถึงอุบายในการระงับความโกรธมาสองวิธีแล้ววิธีที่1ก็คือด้วยการระลึกถึงพระสูตรต่างๆที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงถึงอุบายในการระงับความโกรธนะที่2อในยที่2ก็คือให้หาความดีสักส่วนหนึ่งของเขาะนะในคนคนนั้น เสร็จแล้วมาวิธีที่สามก็กล่าวถึงกุศโลบายสิบอย่างในการระ ง, งับความโกรธนะระ ง, งับใจใครไประ ง, งับใจคนที่โกรธเราด้วยวระ ง, งับใจเราระ ง, งับใจเราอ่เนาะเมตตานี่นะคนอื่นเขาไม่เจริญก็ไม่เป็นไรเธอแต่ว่าถ้าเมตตาถ้าเราไม่เกิดเสียหายนะนะเกิดชาติหน้าไม่งามอย่าบนนะ่นเนี่ยข่าวเมตตานี่ก็คนโกรธย่อมมีผิวพรรณฟาเมือนันาานะทั้งโลกนี้และโลกหน้า เมื่อวานก่อนก็กล่าวไปสองข้อเลยเนาะอ่าสามข้อละทบทวนอีกครั้งนะว่าถ้าว่าคนมีเวรการสร้างทุกข์ให้แก่เจ้าในสิ่งอันเป็นวิสัยคือกายคือเขาจะมาทุบมาตีเป็นต้นก็อยู่ในกายเท่านั้นแลหละเพราะเฮไรเจ้าจึงต้องการสร้างทุกข์ไว้ในจิตของตัวซึ่งไม่ใช่วิสัยคือไม่ใช่กายของเขาเล่านะคือหมายความว่าเขาทําอย่างมากเขาทําให้กับเราเนี่ยนะ เช่นถ้าทางหูเนี่ยยังมากก็ทําให้เสียงเกิดขึ้นโสตะวิญญาณได้ยินนั่นนั่นเองถ้าทางกายก็จะกระทบปั๊บให้กายะวิญญาณเกิดขึ้นนะกายะทะวารวิถีเกิดขึ้นมันก็แต่ทีนี้กายะทะวารวิถีเนี่ยนะทำไมมันจะต้องเป็นโทสะด้วยทุกขากายะวิญญาณเป็นจิตชาติวิบากเกิดจากผลของกรรมแสดงว่าเราทําเหตุมาไม่ดีนักจึงได้รับลักษณะนั้นแต่ไอโทสะที่เกิดขึ้นในใจอันนี้ทําเองนะนะ อันนี้โทสะเนี่ยเป็นของของเราจริงๆเลยเรากำลังทำเหตุใหม่ที่ไม่ดีทีนี้มันไม่อยู่แค่กายะวิจกายะทาวารวิถีใช่ไมมโนทวารวิถีต่อเลยพวดๆวดว ด, ว ด, วดครึ่งชั่วโมงแล้ว ย, ยังไม่ดับสักทีอย่างนี้นั่นแหละโทสะก็จะเกิดต่อไปเรื่อยอโทสะที่เกิดใหม่เนี่ยนะก็คือรับเอาของเข้ามาเต็มที่เลยก็เหมือนกับเข้าเอาอาหารมายื่นให้เราอะนะรู้ว่ายาพิษนะรีบรับมากินเลย มีมีเขาเล่าอีกเรื่องหนึ่งว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยนะ <c oughs> รู้นะว่าเขายื่นยาพิษมาให้ตัวเองกินแต่มันอยากชนะอะ <c oughs> อยากรู้ว่าฆ่ากันแน่ก็เลยเอายาพิษนั่นแหละมากินเองนั่นหละรู้นะว่าเป็นยาพิษแต่ก็ยอมกินถามว่ามีสักกี่คนอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้ว่าเขายื่นยาพิษมาให้เราเนี่ยเราเอาไหมนั่นแหละคนที่เขาหยิบยื่นโทสะหยิบยื่นจิตที่ไม่ดีความไม่ปรารถนาดีมาให้เรา ถ้าเรารับมาก็เท่ากับรับยาพิษของเขามาเสวยมาบริโภคนะแล้วก็ทุรนทุรายต่อไปแล้วก็กล่าวซ้อนเฉพาะพระภิกษุนะมีสององค์นะตรงนี้ก็อบอกว่า ตัวเจ้าเนี่ยนะยังละโมย่าผู้มีอุปการะมากนะพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยมีอุปการะมากซึ่งมีน้ําตาหนองหน้าออกบวชได้เพราะเฮไรจึงไม่ละศัตรูคือความโกรธผู้สร้างแต่ความชีพหายมหันเสียเล่าใช่ไหมเขาบอกว่าโหพ่อแม่ก็ยังละได้นะเหลือไว้แต่ความโกรธนี้ทําไมจะต้องมาทะนุถนอมด้วยบวชก็บวชเพื่อมละโทสะบวชหนักเข้ายิ่งโกรธมากขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าผิดแล้วงั้นผิดประเภทละ สละสิ่งที่ไม่ควรสละแล้วก็มาทะนุถนอมห่วงแหนสิ่งที่ไม่ควรทะนุถนอมแล้วก็กล่าวต่อไปว่าตัวเจ้ารักษาศีดลดาเราเราได้อยู่แต่กลับไปพเนาพนองสิ่งที่ชื่อว่าความโกรธซึ่งเป็นตัวตัดมูลรากแห่งศีนเหล่านั้นใครเล่าที่จะเป็นคนโง่เหมือนตัวเจ้าว่างั้นเถอะบทที่แรกก็จะบวชจะมารักษาศีนนะศีนเนี่ยนะนนะเจตสิกศีลมี เจตสิกศีลมีใช่ไหมเจตสิกศีลอะไรบ้างหนึ่งอโลพาสองอโทสะสามอโมหะแล้วก็วีระตีอีกสามดวงใช่ไหมที่แรกก็จะบวชจะมารักษาพวกเจตสิกศีลเหล่านี้นี่แหละนะอโทสะเจตสิกรักษาไปมาไพล่ามารักษาโทสะเจตสิกอ่า น, นีนรักษาโทสะเจตสิกก็เสียหายเลยนะเจตสิกศีลไม่เหลือเลยเพอเจตสิกศีลไม่เหลือปับ๊บศีลอย่างอื่นๆก็ไร้อรอไปหมด นะถ้าโทสะเจตสิกเกิดขึ้นมานะมันไปนเผาศีลอย่างอื่นเปี้ยงหมดเลยนะเพราะโทสะมันเป็นเหมือนกับไฟเผาเผากุศลส่ว น, น, นเดิมๆหายไปหมดทีแรกบวชจะมารักษาศีลบวชนานเข้ารักษาโทสะอย่างเดียวเลยนะทรงไว้แต่ความโกรธถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทําผิดผิดกิจแล้วใช่ไหมโทสะนี้เป็นเป็นฝักฝ่ายอกุศลเมื่อฝักฝ่ายของอกุศลก็เป็นสมุทัยสัตว์เพราะฉะนั้นควรควรละนะอกุศลทั้งปวงควรละหมดเลย แต่ก็เจริญธรรมะผิดประเภทใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าโทสะควรละเจริญรพุทธเจ้าบอกเมตตาเจริญละปฏิบัติตรงข้ามกับคำซ้อนหมดเลยนะหาความเจริญคงยากนะใครเป็นยังงั้นก็น่าสงสารเลยเจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆเยอะต่อไปว่าเจ้าคิดว่าคนอื่นทำกรรมป่าเถื่อนให้จึงโกรธเขา ทำไมเนอะตัวเจ้าจึงต้องการจะทำกรรมเช่นเดียวกันนั่นแหละเสียเองเล่านะโอ้ยเขาทำกับเราเนี่ยช่างโหดร้ายแท้โอ้หช่างร้ายเหลืออย่างนี้มาทำให้เราได้แล้วเราอ่ะเราที่ทำให้กับตัวเองเนี่ยนะเผากุศลเจตสิกหมดเกลี้ยงในจิตเลยเนี่ยนะใครมันจะร้ายกับกันเผาไอนะเผา นะภาษะที่เกิดขึ้นเป็นกุศลร้วยกุศลในขณะที่เมตตาเกิดนะศีลเกิดขึ้นภาษะก็เป็นเป็นกุศลนะเวทนาเป็นกุศลไหมเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาที่เป็นกุศลนะคือเราต้องนึกนะว่าในมหากุศลหนึ่งดวงนั้นมีเจตสิกอะไรบ้างใช่ไหมมีภาษะเกิดขึ้นภาษะนั้นก็เป็นกุศลไม่มีโทษเวทนาก็เป็นกุศลไม่มีโทษสัญญานั้นก็เป็นกุศลไม่มีโทษ เป็นสัญญาที่ควรเจริญแล้วก็เอกขตาเนี่ยนะก็เป็นกุศลนะเป็นสัมมาสมาธิด้วยนะที่เกิดขึ้นในขณะกุศลแล้วก็ชีวิตตินทรีย์ก็เป็นชีวิตที่เป็นกุศลมนัสิการก็เป็นปากับโยนิสมนัสิการก็เป็นกุศลวิตกอันนั้นก็เป็นกุศลใช่ไหมวิตกก็ยังถ้าเป็นกุศลก็สามารถเป็นทั้งเนคขมะวิตกอัพยปาทวิตกและอวิหิงสาวิตกนะก็กุศลอีก โทสะเกิดขึ้นเผาวิตกที่เป็นกุศลเกลี้ยงเลยนะแล้ววิตกวิจารวิจาร์ก็เป็นไปเพื่อกุศลนะวิจารณอันนั้นก็เป็นกุศลนะวิจารณนี่เป็นองค์ชานด้วยเนาะวิจารณ์ก็เป็นกุศลอธิโมก็เป็นกุศลฉันทาก็เป็นกุศลนะปีติก็เป็นกุศลโอโทสะเกิดขึ้นเนี่ยเผาเกลี้ยงเลยนะซับเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นกุศลที่ดีไม่มีโทษเนี่ยถูกโทสะเผาล้ว ต่อไปขณะที่กุศลจิตเกิดมีศรัทธาใช่ไหมมีศรัทธาศรัทธานี้ท่านบอกว่าเหมือนกับเครื่องที่มันกรองน้ําให้ใสสะอาดเลยนะเพราะศรัทธาเกิดขึ้นมันทําน้ําให้ให้สะอาดอ่าไม่ใช่ไอเครื่องกรองน้ํามันจะทําน้ําให้มันใสสะอาดเหมือนกับแก้วมันีของพระเจ้าจากักรพรรดิศรัทธาถ้าเกิดขึ้นมาก็จะกรองจิตเจตสิกให้มันสะอาดดยงนั้นเถอะอ๋อ โทสะเกิดขึ้นเนี่ยเผาเครื่องกรองเกลี้ยงทีนโอตปะเนี่ยนะเป็นอริยทรัพย์เนาะศรัทธาก็เป็นอริยทรัพย์ทีนีโอตปะก็เป็นอริยทรัพย์ทําไปทํามาเนี่ยทำลายทรัพย์โทสะเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อทําลายทรัพย์นั่นแหละอัะโทสะก็เป็นทรัพย์นะเมตาก็เป็นทรัพย์สติก็เป็นทรัพย์ตัตระมัชตะตาก็เป็นฝ่ายดีนะเป็นถ้าเจริญมากๆเป็นถึงระดับอุเบกขาสามโพชงเลยนะ ตตะระมัจจตาอันนั้ น, นนะปัสสัตทีก็หา ย, ยนะปัสสัตทีสงบใช่ไหมโทสะเกิดขึ้นในชักไม่สงบแล้วก็บอกว่าคนโกรธนี่ไม่สงบเลยนะใจก็เริ่มสั่นอย่าว่าใจสั่นเลยหัวใจยังสั่นเลยใจก็เต้นมากขึ้นนะรุนแรงขึ้นหน้ายังสั่นเลยคลางยังสั่นด้วยเลยมือม้ายังสั่นอีกโอ้โหสั่นไปหมดโทสะเกิดขึ้นมาไม่สงบเลยเนาะแล้วก็หมดความสงบแล้วหมดอะไรอีกนะปัสสัตท เบาไหมใจเนี่ยหนักที่สุดเลยนะโทรศัพท์มันเกิดขึ้นเนี่ยหนักเพราะฉะนั้นละหูตาก็ไม่เกิดอ่อนไหมไม่อ่อนนะมุทูตาก็ไม่เกิดจิตก็ไม่อ่อนเจตสิกก็ไม่อ่อนกรรมยาตามไหมเอาไปทํางานได้ไหมขณะที่คนโกรธเนี่ยนะก็บอกว่ารับรับสมัครพนักงานที่ที่คุยดีๆหน่อยนะถ้าเกิดพนักงานรับโทรศัพท์ตะหวาดออกมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะบริษัทนีนใกล้แล้วล่ะเพราะฉะนั <c oughs> <c oughs> ้นแคแ่ธรรมดายังยังยั ง, ยงต้องอาศัย ความควรแก่การงานเป็นต้นเลยนะจิตเจนสิกของเราก็เหมือนกันจะต้องเบาจะต้องคล่องต้องควรแก่การงานนะความคิดนั้นๆถ้าจิตเบาจิตอ่อนจิตคล่องควรแก่การงานอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อรู้อริยสัจไม่ยากนะ น, นะังนั้นพระองค์นั้นเวลาแสดงธรรมในสมัยพุทธกาลนั้นพระองค์จะแสดงธรรมให้ใจเข้าเป็นลักษณะนั้นก่อนเรีดจิตซะก่อนนวดจิตซะก่อนซักจิตซะก่อนนะจึงจะลงน้ำยอมได้ นํายอมคืออะไรนี้ทุกนิทุกขสโมไทยนี้ทุกคณิโรดน้ทุกขณิโรถ้ า, ามีนิปฏิปทาถ้าพระองค์ย้อมเสร็จแล้วสีไม่ตกเพราะว่าถ้าโสดาปฏิมาเกิดขึ้นจะไม่เสื่อมเหมนย้อมด้วยอริยสัจนะควรแก่นําย้อมอนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าโทสะเกิดขึ้นนี่นะกุศลเหล่านั้นก็กหมดไปถูกโทสะเนี่ยแผดเผาเกลี้ยงเลยนะ แสดงว่าใครร้ายกับใครนะทำลายทรัพย์สินภายในทั้งหมดเกลี้ยงเลยนะทรัพย์คือกุศลธรรมเหล่านั้นคือศรัทธาฮิริโอตต ป, ปะอโลภะตัตระมัจจิตตามุทุตากรรมัญตาปากุ ญ, ญาตาและหูตาเนี่ยนะหมดหายเหือดไปหมดเลยนะใครเถื่อนกับใครกันแน่หมายว่าคนอื่นเนี่ยโหดร้ายจริงๆเลยนะช่างทากับเราได้โอ้ไม่น่าเลยแต่เราทากับเราไม่เป็นไรนะ แต่ก่อนนี้ก็เรื่องเจตสิกสิบสองดวงเนี่ยคือยุคคุธรรมหกนี่นะก่อนไม่เคยเข้าใจนะนะอาจารย์จริงๆ น, นนะไม่เคยเข้าใจนะ ก, ก็ก็รู้ไปแนละ้ว่ก็ท่องก็ยากด้วยนะเอ้ท่ายิ่งเรียนไปยิ่งไปยิ่งเห็นความสําคัญนะโดยเฉพาะวันนี้นพอบอกว่าถ้าเราเอาโทสะเข้ามาเปรียบเทียบนี่นะโอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเช่นตัวแรกบอกว่ากายปัสสติจิตปัสสินี่นะมาพอเจตสิกสองดวงเนี่ยทําให้สงบ โอ้โทรศท์เปิดไม่สงบแน่นอนเห็นชัดเจไนไม่ตอกอธิบายเลยนะพอละหุตาเบาไหมไม่เบานั้นหนักน้อน้องต้งเกิดโทรศันี่มันหนักนี้เลยนะโอ้ไปละกลองบ้ากหนักหนักอึกเลยนะในหัวอกอ่ะแน่นอนเห็นชัดเจนเลยไม่ละหุตาเลยกายะละหุตาจิตตาละหูตาไม่ละหุตานะหนักอึ้งเลยแล้วก็มุทุตานะอ่อนนะโอ้ไม่อ่อนนะแข็งกระด้างเลยว่าลโกลอนี่แข็งกระด้างเลยนะตาเตอ แข็งกระด้างหมดกริยาการเดินก็แข็งกระด้างหมดเดินกระตืบเท้าเดินบเบาๆไม่เป็นนะปุ้งปุ้งปุ้งปุ้ ง, งน่าเนี่ยนะแล้วไปงั้นเออมันดีนะถ้าเราเอาเอาตัวเอาตัวกุศลเข้ามาเปรียบเทียบมันเห็นดีนะแล้วอะไรนะอาจารย์ปาคุณยตากรรมยตาเนี่ยนะไม่ควรแก่การงานจริงๆเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยนะถ้าพูดอะไรก็เสียหายหมดนะ่ะตัดสินใจแล้วก็เสียหายหมดจริง นะแต่ถ้ามันเป็นคุณจริงๆนะถ้าจิตเป็นหมหากุศลเป็นคุณจริงๆนะจิตปาคุณยะตากายปาคุณยตาเนี่ยอะไรเนี่ยนะแล้วแล้วก็อุชุกตาเนี่ยตรงเนี่ยนะก็ไม่ตรงอีกเวลาโกรธนี่นะโกหกได้เลยนะไม่ตรงนะนะพูดพูดเป็นตรงข้ามได้เลยนะเวลาเวลานั่นอนะ่ะเวลาไม่ไม่อุชุกตาจริงๆนะใช่นะแล้วเต็มไปด้วยมายาสาไทยนะเวลาโกรธจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงนะ โกรเนี่ยนะมันจะทำให้คำพูดส่วนใหญ่นะเป็นพุสวาจาเป็นคำพูดที่เป็นคาหยาบนะคำหยาบก็คือคำพูดที่เหมือนกับเอาก้านบนี่นะแย่เข้าไปในหัวดังนั้นคำพูดที่พูดด้วยโทสะนะถึงจะใช้น้ำเสียงอย่างไรก็ช่างเถอะถึงจะใช้คำอย่างไรก็คือคากระแทกอยู่ดีถ้าถ้าพูดด้วยจิตที่เป็นโทสะนะเอาไปหลับให้สบายไปอย่างเงี้ยเอาไหม มันมีคนสั่งให้เราไปหลับเอาว่าแต่เป็นสมัยก่อนบอกว่าไปหลับนี่ปแปลว่าไปตายนะเพราะฉะนั้นถ้อยคําที่เกิดจากโทสะนะเช่นจะเป็นถ้อยคําเป็นคําหยาบนี่ง่ายมากคําว่าคําหยาบหรือพู้วาจา ก, ก็จะเป็นโอมมาสวาจ a อ่าเป็นวาจาที่หยาบคําพูดก็จะกระทบกระเทียบนีง่ายที่สุดเลยนะอุปมาเช่นเรื่องตระกูลนี่ก็จะเข้ามาแล้ว เรื่องหน้าตาเรื่องผิวพรรณเรื่องทรัพย์เรื่องวิทยาฐานะเรื่องความรู้เนี่ยนะก็จะเอามาเพื่อด่ากระทบพิสูจน์นั้นท้าดพระด่าพระด่ากระทบชื่อกระทบโคตรกระทบผิวพรรณกระทบวัฒน์กระทบความรู้นะกระทบการงานพวกนี้เนี่ยนะเป็นอบัตนะเป็นอบัติปาจิตตีเป็นปาจิตตีเนี่ยเพราะโอมาสวัสด์อย่างนั้นพูดคำหยาบเนี่ยถือว่าเป็นคำหยาบนะคำพูดที่ด่ากระทบเนี่ยนะแต่ถ้าไปพูดด่าคารวะ ดาสมเณนเนี่ยนะด้วยคำหยาบเหล่านี้เป็นวัตถุแห่งทุกขก์แต่ถ้าพูดเอาคํากระทบเป็นโต้นเนี่ยมารอเล่นนะพูดด้วยโลภะนะนะสมมติว่าสูงเหมือนเสาไฟฟ้าเลยอย่างเงี้ยเป็นวัตถุแห่งทุพภาสิทเนี่ยคือคําชั่วทุพภาสิท์เป็นอบัติเงนะีนะนะนะ้ยนะนั่นน่ะโอ้โคนนี้เข่ามันเหยือกกล้วยอย่างเงี้ยนะก็ว่าคํากระทบเล่นๆไปเนี่ยเป็นวัตถุแห่งทุพภาสิทธินะพาเนี่พูดว่าทุบทุบเนี่ยแปลว่าชั่วใช่ไหมภาสิตก็คือคําพูดที่ชั่ว นะขนาดพูดด้วยโลภะก็ยังเป็นอบาลถ้าพูดด้วยโทสะก็เป็นนะแต่ว่าเป็นหนักอั้นคําพูดที่เกิดจากโทสะนั้นนะ่ะทำให้เป็นพุทธสวาจายนี่ง่ายมากนะกระทบคําด่านะเปรียบเปรยกับสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นนะเปรียบเทียบกับสัตว์ในอบาลง่ายๆมากถ้าโทสะมันเกิดขึ้นน ะ, ะนะก็คือเช่นพวกที่อดนะเปรียบเปรยกับพวกสัตว์ที่อดข้าวอดน้ำเนี่ยเก่งนะ นั่นแหละไอนั้นนี่นั่นแหละนึกออกเลยนะอาโทสะเกิดจะเป็นลักษณะนั้นอั้นคําพูดเหล่านั้นเนี่ยเสียหายมากมายมหาศาลก็ก็ยังไม่รู้สึกนะพระองค์จึงบอกว่าภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโกรธย่อมไม่รู้สึกนะจะไม่รู้สึกจะไม่สํานึกเลยนะต่อเมื่อความเป็นบัณฑิตเกิดขึ้นในจิตของเขาแล้วจึงจะรู้ตัวเพราะฉะนั้นขณะที่เขาโกรธเนี่ยอย่าไปแนะนําเลยนะ พระพุทธเจ้าพูดก็ไม่ฟังเราไม่เชื่อเรอกใช่ไหมถ้าโกกาลิกะยังไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเลยท่านเรียนอออภิธรมรมตัสังขหรท่านเจตสิกตัวนี้ท่านเข้าใจไห ม, ตต ร, รมตตระมัชตาตาชื่ อ, อยังเรีย่ยดยากเลยปรัตระมัชตาตาเนี่ยนะอะถ้าท่านยังไม่เข้าใจเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์สมบัติอธิบายที่ว่าเวลากดแล้วมีมไหมตัวนี้คําว่าตตระมัชตาตานั้นก็คือ มันเป็นเจตสิกตัวหนึ่งซึ่งมันวางสมมุติว่าภาษาเกิดขึ้นก็ทําหน้าที่ของภาษาเออดีแล้วนะเป็นอุปมาท่านอุปมาเหมือนกับคนขี่รถม้านะถ้าม้ามันวิ่งไปสะดวกนี่เพียงแต่ถือเชือกไว้เฉยเปล่อยไปถ้าพูดเหมือนกับคนขับรถนะบางท่านเนี่เห็นเขาขับรถเขาไม่จับพวงมาลัยเลยนะถ้าถนนมันดีเลยนะเขาก็ดู ด, ดูประคองมันไปเท่านั้นเองอัะนนะัไอ้ตัวที่ประคองจิเตเจตสิกอันนั้นแหละเรียกว่า ตตระมัชตาตาว่าทุกตัวทุกตัวเนี่ยเออทำหน้าที่ดีแล้วนะทำต่อไปแต่ว่าตตระมัชตตาจะชัดเจนต่อเมื่อเมื่อได้ฌานที่ที่ฌานในจิตนั้นตัตระมัชตตาจะชัดแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีง่ายๆหรอกเว้นไว้แต่เจริญโพชฌงคนที่เจริญโพชฌงมากๆอุเบคาสามโพชฌงก็จะวางในอารมณ์สามารถที่จะวางใจในอารมณ์ไม่ไม่ยึดมั่นในสัตว์และสังขารนั่นแหละ คือสามารถปล่อยได้ปล่อยได้เออไปก็ไปไปก็ไปไปก็ไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะนะเพราะว่าตตระมัชตาตาเนี่ยนะหรืออุเบขาตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นตัตระมัชตาตานี้อนุโลมเออสติทําหน้าที่ของสติไปวิริยะทำหน้าที่ของวิริยะปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาสมาธิทําหน้าที่ของสมาธิปัสสติก็ ท, าทําหน้าที่ก็ปล่อยว่เออเจริญเขาเรียกว่าอะไรนะประคอง ข่มในสมัยที่ควรขม่มยกในสมัยที่ควรยกประคองในสมัยที่ควรประคองแล้วก็ปล่อยไปในสมัยที่ควรปล่อยดังนั้นเขาผู้ที่เจริญกุศ ล, ลธรรมในด้านการงานทางจิตนั้นเขาสามารถรู้ได้ว่าจิตสมัยนี้ควรขม่มสมัยนี้ควรยกสมัยนี้ควรประคองสมัยนี้เคียงว่าดูใชยเฉย่างนั้นนะให้เจริญต่อไปนะเขาเขาสามารถฝึกในลักษณะนั้นตตระมัชตาตานั้นก็จะทําหน้าที่ว่าความคิดในลักษณะนี้เป็นกุศลก็ ะจะเจริญต่อไปนะแต่ก็ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ต้องไปกระตุ้นเพราะสติก็ทําหน้าที่ของสติแล้ววิริยะก็ทําหน้าที่ของวิริยะแล้วสมาธิก็ทําหน้าที่ของสมาธิแล้วก็ปล่อยอันนี้จเจริญยากนะเพราะสติก็ไม่ค่อยจะเกิดไม่รู้จะปล่อยให้ทำหน้าที่ไปเองยังไงใช่ไหมเราเปรียบเทียบตอนที่กําลังโกรธนี่นะมันทําลายตัตระมัจจตะตาเนี่ยนะครับมันแสดงว่า้องไม่ใช่ถือพวงมาลัยไม่ใช่ประคองใช่ไหมครับเอียงหลุดออกไปเลยใช่ไหมครับบิดเลยเอียงเลยนะเอเอียงด้วย อคติต่างๆใช่ไหมครับเียงด้วยอคติต่างๆนะโลภะก็ทําลายนะครับเอียงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดคนละฝังเลยคนละฝังนะถ้าโทสะเอียงกันนะไม่ไม่ตรงกันนะเนี่ยเขาข้างข้างเถูเนี่บ่อยไหมครับนั่นแหละตัดราไม่จะตาแลครับเีข้างข้างเถูในเวลาเถียงกันเนี่ยนะเอาะถูกไม่ฟังเสียงอ่ะเพราะฉะนั้นโลภะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งโทสะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่ง มัชชิมาปฏิปทาคือเรียมักองแปดเนี่ยเป็นทางสายกลางเพื่อละไอส่วนสุดทั้งสองข้างนั่นแหละน่ะหันตัตารามัช ต, ตาตานั้นเป็นเป็นโพชงด้วยนะตัตารามัช ต, ตาตานั้นเป็นโชชงเป็นอุเบขาสัมโพชงแต่เป็นเป็นกุศลธรรมที่ควรเจริญแล้วก็เป็นองค์ฌานด้วยนะนับเนื่องอยู่ในองค์ฌานองค์ไหนอ่าเอ ก, กขะตาง อ, อ, อุเบขา อุเบกขาเอกขตาไอตัวอุเบกขานะเอกคตานั้นเป็นเอกคตาเจตสิกเจนพรพรหมวิหารนี้ก็มีอ่าพรหมวิหารซึ่งเอกคตาเจตสิกนั้นก็จะเจริญในช่วงนี้เป็นต้นไปแต่ว่าอ่าตตระมัชตตานั้นในอุเบกขาพรหมวิหารนั้นะจะเจริญในอ่าอะไรนะมัชตาสัตว์ใช่ไห ม, ม, มสัตว์ที่มองเป็นกลางๆเป็นธรรมดามทั่วไป แต่ว่าอุเบกขาพร้อมวิหาร น, นั้นท่านจะเจริญต่อเมื่อได้ฌานที่สามไปแล้วนะได้ฌานที่สาจากเมตตาได้ฌานที่สมจากกรุณาหรือได้ฌานที่สมจากมุทิตาท่านจึงเจริญอุเบกขาไม่ใช่ขึ้นต้นนะอุเบกขาอย่างเดียวเบกขาอย่างไงบางทีนะอุเบกขาภาษาไทยกับอุเบกขาของพระธรรมคนละอย่างเลย อุเบคขาภาษาไทยก็ไม่สนใจ น, นั่นเองนะอุเบขาสาเออฉันอุเบขาแล้วแปลว่าฉันไม่สนใจแล้วนะแต่อุเบขาในธรรมะไม่ใช่ไม่สนใจนะรู้ในเรื่องนั้นได้ทั้งหมดแต่วางใจได้นะแต่คนที่จะวางใจในลักษณะอุเบขาในพรหมิหานนั้นจะต้องได้ตติยะฌานไปแล้วเพื่อที่จะเจริญจิตให้ได้จตุตฌานนะนะเอี่ไปไกลก็แล้ว <c oughs> <c oughs> อย่างเราเรานี่นะเอาแค่ว่ามีตัรตระพัชตตาตอนที่จิตเป็นกุศลก็พอแล้วก็พันจิตเป็นกุศลเนี่ยน ะ, ะ ท, ที่มันขอภายนะหยาบกว่านั้นยังไม่ค่อยจะเห็นเลยฮ <c oughs> ีรีโอตปาเนี่เห็นบ่อยไหม <c oughs> เห็นบ่อยนะปารบตัวเองโอ้อย่างเราจะมาทําบาปอย่างนี้เหมาะเลยใช่ไหมมาพูดอย่างนี้ไม่เหมาะนะใช่ไหมเป็นพระแล้วอมาแสดงกิริยาอย่างงี้ไม่ดีเฮ้ยเป็นพระแล้วมาพูดอย่างนี้ไม่ดีนะปารบในลักษณะนี้บ่อยไหมอันนั้นเป็น ทีนีปาราบกหบวชเข้ามาแล้วเดี๋ยวผีสาวเทวดาเป็นต้นคนอื่นเขารู้พระพุทธเจ้าตําหนิเอานั้นเป็นโอตปปะปาเนะีว่าไอความคิดในลักษณะนี้ให้มีบ่อยๆนี่ก็แจ๋วแล้วนะที่ศึกษาธรรมะมาขนาดนี้นะมาโทสะอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นทีนีนะ โ, โหเดี๋ยวพวกเขาตําหนิเอานะ โ, โหไปเรียนธรรมะคนข้างๆเขาก็บอกไปเรียนธรรมะยังไงมาโกรธนะักเกาอย่างเงี้ยอันนี้กลัวเขาจะว่าเอาก็อันนี้ก็โอตะปะอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้กุศลจิตเกิดได้นะ หาประเภทนั้นเกิดบ่อยๆนี่ก็ชั้นหนึ่งแล้วนะต่อไปศีลจะได้บริสุทธิ์มากขึ้นหน่อยศึกษาธรรมะใจก็จะเป็นไปกับบุญมากๆอันนั้นนะบุญนั้นแล้วเป็นตัวทรับนะทีนี้ต่อไปว่าถ้าหากว่าคนอื่นผู้ใครจะทำให้เจ้านั้นโกรธได้สร้างความไม่พอใจให้ทำไมเจ้าจึงช่วยทำ ม, มโนรสของเขานั่นแหละให้เต็มให้เสร็จ โดยการทําความโกรธนั้นให้เกิดขึ้นเล่าสมมุติถ้าเขาจะพูดคําสักคำหนึ่งเนี่ยคำเสียดแทงเลยน ะ, ะถ้าเขาแทงเนี่ยต้องการให้เจ็บใช่ไหาคำพูดที่เขาเสียแทงก็คือต้องการให้เสียใจของเรานั่นเองให้ใจเราเสียเมื่อเราเสียใจก็แสดงว่าทําความปรารถนาของศัตรูให้ประสบความสําเร็จใช่ไหมศัตรูเขาต้องการยังไงเราก็เต้นไปตามนั้นเลยเหมือนกับที่เขาว่านะเขาเล่าว่า ได้ยินว่าเป็นบัณฑิตใช่ช่วยบอกให้ฉันออกไปข้างนอกทีนิได้ไหอยงั้นอกวานะก็บอกว่าฉันให้แกออกไปข้างนอกไม่ได้หรอกแต่ให้เข้าข้างในได้ไอ้พวกนี้แหละเาเรียกว่าทำตามอย่างที่คนอื่นเขาต้องการให้ประสบความสาเร็จคนที่โทสะเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมคือก็จะทาเหมือนกับที่เขาต้องการเป๊ะเลยเหมือนกับชายที่ว่าไปไ ป, ไปหาคนคนหนึ่งบอกว่าแกเป็นบัณฑิตมากแกช่วยบอกให้ฉันไปยืนอยู่ข้างนอกได้ไหม กรบอกผมเนี่ยช่วยให้คุณไปยืนข้างนอกไม่ได้แต่ผมเนี่ยช่วยให้คุณเข้ามาข้างในได้คนนี้ก็ออกไปยืนอย่างที่เขาบอกเลยอ้าวคุณแ น, น่นไงผมบอกคุณเรียบร้อยแล้วนะพั <c oughs> ้นคนที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะเวลาคนอื่นเขาทำอะไรเรามาปั๊บเนี่ยนะเราก็รีบสนองเขาเลยนะสมความปรารถนาของเข้าทั้งหมดเลยนั่นแหละั้นคนโกรธจะไม่รู้ถึงว่าภัยที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเลยว่าจะเป็นภัยอะไรขึ้นบ้าง ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจะไม่เกิดขึ้นในขนะดนั้นๆเลยแสดงว่าคนที่โกรธช่วยช่วยทำความปรารถนาของศัตรูให้สำเร็จนะและกล่าวาต่อไปว่าอันหนึ่งหน้าติเตียนตัวเจ้าโกรธแล้วจัดสร้างทุกข์ให้แก่เขานั้นได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามแต่ว่าบัดนี้แหละเจ้ากำลังเบียดเบียนตนเองอยู่เพราะทุกข์คือความโกรธนะ คือถึงเราโกรธนะวันหลังเราอาจจะไปด่าไปต่อว่าไปอะไรเข้าได้จริงอยู่นะแต่ว่าขณะนี้ที่กําลังโกรธเนี่ยใครทุกอะ่ะเขาทุกหรือใครทุกกันแน่ใช่ไหมบางทีคนที่เราโกรธบางทีเขาหลับสะสนิษแล้วเราก็มานั่งตงเหตุตงเหตุอยู่คนเดียวนะทุกข์อยู่คนเดียวนอนไม่หลับอยู่คนเดียวนั่นแหละเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับเราสักอย่างเลยนะอย่างาสมมติอีกคนหนึ่งไปเที่ยวนอกบ้านอีกคนหนึ่งนั่งบ่นอยู่ที่บ้านคนละ ง, งานเลยนึกไม่ออกสักอย่างนะ ไม่ได้กเกีียวกันเลยนะแต่คนที่บ้านนี่ก็จุดไฟเผาบ้านเผาใจตัวเองก็ตั้งมากไหว่าคนจะเข้าออกไปข้างนอกบ้านจะกลับเข้ามาได้เนี่ยนะแเขาไม่รู้หรอก <c oughs> ปรับมาก็ปรยยิ้มให้ครั้งเดียวหาย <c oughs> <c oughs> ว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าพวกคนผู้มีเวรกันขึ้นสู่ทางชีพหาย คือความโกรธแล้วไซเพราะเหตุไรแม้ตัวเจ้าจึงโกรธเรียนแบบของพวกเขานั่นแหละนะแสดงว่าคนที่โกรธเราก็เรียนแบบพระเจ้าอาชาติศัตรูใช่ไหมถ้าเราโกรธเราก็เรียนแบบพระเทวทัตถ้าเราโกรธเราก็เรียนแบบพระโกกาลิกะนะดีไหมดี น, มนะวันนีเราก็แสดงว่าเรากําลังเรียนแบบคนที่เขาทํากรรมหนั ก, นกถ้าเราโกรธเราก็เรียนแบบพระเจ้าวิถูตระพระ แต่ละคนแต่ละคนที่ก่อกรรมหยาบมากๆเนี่ยนะขณะที่เราโกรธนี่เรากําลังเจริญรอยตามพวกนั้นนะพวกนั้นจะเป็นบรรพบุรุษของเราจะเป็นศาสดาของเราอย่างงี้ยจะมีพระเทวทัตเป็นศาสดาและจะมีพระโกกาลิกะเป็นศาสดาและนะศาสนาโทสะไง <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็ไปเรียนแบบสิ่งที่ไม่ควรเรียนแบบนะไม่น่าเป็นตัวอย่างไม่ได้เป็นอนุสติอะไรเลยควรสังเวช้วยซ้ําไปที่ไหนได้เรากลับไปเจริญรอยตามอย่างงี้ คนโกรธนี่ไม่รู้ประโยชน์จริงๆเลยนะเคยโกรธหรือเปล่านั่นแหละขนาดนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยศัตรูอาศัยความโกรธอันใดของเจ้าจึงสร้างสิ่งที่น่าชังให้ได้เจ้าจงตัดความโกรธนั้นนั่นแหละเสียให้ได้เจ้านะจะเดือดร้อนในฐานะที่ไม่ควรไปทําไมนะหรือจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้สมควรไม่เหมาะสมอะไรกับเราเลยใช่ไหมอย่างข่าวในหนังสือพิมพ์นะ ในจริงในหนังสือพิมพ์มันก็ไม่ได้ทุกเท่ากับคนอ่านหรอกคนอ่านเนี่ยทุกจริงๆเนียนะอ่านแล้วก็ทุกไปวิพาควิจารณ์นั่งบนนั่งตำหนินั่งอะไรดูจะทุกกว่า เ, เรื่องเป็นจริงเขาอีกนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวอะไรนะฐานะบางอย่างไม่เกี่ยวเลยนะสีรูปารมต่างๆมาเห็นหน้าเท่านั้นแหละเคยดูนะคนบางคนเนี่ยนั่งดูละครเนี่ยนะนางเอกกําลังมีปัญหาร้องไห้ตามเลยเนะี่ยที่จริงไอ้คนในนั้นไม่ได้ทุกข์อะไรซากอย่างเลยนะคนดูทุกจริงๆ มันไม่ไม่อยู่ในฐา น, นะอะไนะต้องไปสแสวงหาโทสะให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆมากๆ <c oughs> ที่ธรรมะทั้งหลายมีชั่วขนาดนะธรรมะทั้งหมดนี่มีชั่วขนาดนะ <c oughs> สังขารรูปนามขันหานี่มีชั่วขนาดชั่วลับนิ้วสั้นๆ ขันทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นไปในสันดานของศัตรูได้สร้างความไม่ชอบใจให้แก่ตัวเจ้าขันทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ดับไปแล้วบัดนี้ณนะที่นี้เจ้าจะโกรธต่อใครสมมติว่าเสียงด่านั้นเสียงนั้นก็หมดไปขณะนั้นนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยโกรธให้เสียงอันนั้นเลอหรือโกรธให้จิตอันนั้นเออจิตที่เขาเขาไม่ดีต่อเราเลยน ะ, ะจิตอันนั้นก็หมดไปแล้วเราโกรธให้จิตอันนั้นใช่ไหม ก็แสดงว่าเอาขี้เลื่อยมาเลื่อยใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาทําไปเสร็จแล้วนะจิตนั้นก็เกิดขึ้นหมดแล้วเราก็ยังไปคุยไปเขีย่ยไปขุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะสำเนาเรียกว่าขุดศพมาประจานเ <c oughs> ขาไปฟังแล้วยังไม่ยอมเนี่ยนะต้องพยายามไปขุดซากศพมาประจานนะเคยนะไม่มีในนิยายจีนอยู่เรื่องใช่ไหมแต่ขุดซากศพมาประจานกันหน้าดูเลยนะมีเขาจริงจริงเขาจะนิยายขวศไม่น่าเชื่อเครียดแค้นมากนะโทสานี่เกิดขึ้น จะสร้างทุกข์ให้แก่บุคคลใดได้ไดเว้นบุคคลนั้นเสียเขาจะพึงสร้างทุกข์ให้แก่ใครได้แม้ตัวเจ้าเองก็เป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่อย่างนี้เพราะเหตุไรจึงโกรธต่อเขาเล่าดังนี้ใช่ไหมตัวเองนี่ก็ทุกข์เป็นทีแล้วไปขอแบ่งทุกข์เข้ามาอีกเขาโกรธให้เรานี่ก็ไปขอแบ่งทุกข์เข้ามาอีกแสดงว่าไม่ได้หาความสุขให้กับตัวเองเลยน ะ, ะขณะที่โกรธอยู่เนี่ยนะถามว่า เ, ออเกิดมาสแสวงหาสิ่งนี้ใช่ไหม เกิดมาสแสวงหาโทสะใช่ไ้ยโทสะนี่มีประโยชน์อะไรกับตัวเองบ้างคนที่จะระงับโทสะได้นั้นจะต้องหมั่นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าไม่พิจารณาบ่อยๆเนี่ยเสียหายโทสะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายมองเห็นว่าโทสะเป็นความเสียหายจริงๆแล้วนะจะทำให้มีอินทรีย์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลก็คือศีลที่ไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะนิมิตมีกี่อย่างนะ สามอย่างหนึ่งสุภานิมิตเป็นอารมณ์ของโลภะได้กี่ดวงแปดดวงถ้าปฏิฆ า, านิมิตเป็นอารมณ์ของจิตสองดวงนะโทสะถ้าอุเบคานิมิตเป็นอารมณ์ของโมหะงั้นถ้าหากว่าเราฝึกคิดนะตามอุบายวิธีเหล่านี้บ่อยๆเราจะไม่ถือโดยนิมิตคือปฏิฆานิมิตในแต่ละอารมณ์แต่ในแต่ในอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะ ถ้าเราไม่ไม่ฝึกอันนี้บ่อยๆเนี่ยนะสังวรเราก็ไม่เกิดเมื่อสังวรไม่เกิดทรัพย์ก็ไม่เกิดศีลก็ไม่เกิดเมื่อศีลเนี่ยนะทึ้งท่านอุปมาว่าศีลเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินเพราะว่าบุคคลเนี่ยตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วเพึงเจริญโพชฌงหรือพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดถ้าโทสะเกิดขึ้นขณะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ศีลโทสะนี้ไม่ใช่ศีล โทสะนี้ไม่ใช่สมาธิโทสะไม่ใช่ปัญญาโทสะไม่ใช่บารมีแต่ละอย่างเลยังนั้นโทสะไม่ได้อยู่ในฝักใฝ่แห่งคุณงามความดีเป็นไปเพื่อเสียหายทำไมจึงมีโทสะอก็บอกว่าทำไมจึงมีโทสะเพราะมีปัจจัยเก็งมากเจ่งมากสาธุเออแล้วปัจจัยอะไรบ้างอะวันนี้เสียปัจ อะไรเป็น อ, อุปนิสัยให้ให้โทสะนั้นเกิดใช่เพราะฉะนั้นมันได้ทั้งเกือบเก้าชาตินั่นแหละนะถ้าพูดถึงสะโทสะที่เราเคยสะสมไว้ก่อนหน้านั้นหน้า น, านั้นบ่อยๆโทสะอันนั้นก็เป็นอุปนิสัยให้ให้โกรธ ด, ด้วยที่สองก็คือเพราะมันได้อารมณ์นะเพราะมันได้อารมณ์คำว่าอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้ใช่ไหม สิ่งที่จิตรู้อันนั้นเนี่ยไม่น่าปรารถนาะไม่น่าใคลาไม่น่าพอใจไม่ชวนให้เพลิดเพลินไม่ชวนให้ยินดีพอได้อารามณนะปัจจัยเข้าอุปนิสัยปัจจัยก็ได้เกิดเลยนะเพราะฉะนั้นได้ทั้งเหตุใกล้และเหตุไกลแต่ที่ว่าสําคัญที่สุดก็คือคืออะไรปัจจัยที่สําคัญนั้นมากก็คืออุปนิสัย เพราะแสดงว่าคืออารมณ์เนี่ยเราจะไปจัดแจงได้ไหมว่าขอให้อารมณ์ดีในโลกนี้ให้อารมณ์ดีให้หมดเลยเป็นไปไม่ได้ให้อารมณ์เป็นเหมือนกับที่เราต้องการหมดเลยเป็นไปได้ไหมสมมติถ้าเราไปเกิดอัดชอบอาหารบางอย่างที่มันอร่อยนะเกิดเราเสกได้เลยนะขอให้มีแต่อาหารชนิดนี้เสร็จแล้ววันสองวันแล้วเบื่อทำไงกันนี้ทุกข์กับอาหารชนิดที่ตัวเองเสกขึ้นมานะถ้าเกิดมันท่านไอนอปนิสัยเนี่ยนะ สำคัญที่สุดเลยเพราะอารมณ์เนี่ยมันมันไม่สามารถที่ใครจะไปจัดสรรได้ใช่ไหมดินฟ้าอากาศจัดสรรได้ไหมก็ได้เป็นบางช่วงเท่านั้นเองร้อนเกินไปก็ทําหลังคาซะร้อนเกินไปก็หาพัดลมเป็นต้นมาเป่าให้มันเย็นก็จะทําได้คร่าวๆเท่านั้นเองเช่นเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนเป็นต้นก็อาจจะกินอยู่กินยาบ้างแต่ถ้ามันเป็นหนักก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แต่ถ้าเราตัดอุปนิสัยของโทสะออกไป นะเมื่อโทสะเนี่ยสิ้นเชื้อโทสะถึงได้ปัจจัยก็ไม่เกิดน ะ, ะเชื้อของโทสะคืออะไรเชื้อของโทสะะครับ<ม>ก็คือโลภะที่ครับหรืออวิชช า, าครับเชื้อของก็ทั้งหมดนั่นแหละอกุศลทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นอุปนิสัยได้นะทั้งทิฏฐิก็เป็นเหตุให้เกิดโทสะก็ได้มานะก็เป็นเหตุให้เกิดโทสะก็ได้นะแต่ว่าโดยความเป็นอุปนิสัยปัจจัย แต่ว่าโทสะนั้นจะละได้ก็อาศัยาการละโทสะเนี่ยนะคนที่โกรธเกิดขึ้นให้ทานก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความโกรธบางระดับให้ทานก็หายนะความโกรธบางระดับรักษาศีลก็หายแต่เป็นแต่ทางค่าประหารนะาความโกรธบางระดับก็ต้องอาศัยสมาธิเรียกว่าเมตตาเป็นต้นเนะจริญเมตตามากๆความโกรธส่วนหนึ่งก็อาศัยการเจริญวิปัสสนาก็ ก็ระ ง, งับแต่ทั้งหมดนั้นก็คือแต่ทางข้าประหารกับวิคัมพะนาประหารแต่ว่าความโกรธจะละได้จริงๆก็ต้องเป็นสมุทเฉทประหารโดยอนาคามีมัตนะแต่ว่าถ้าจิตเราเป็นกุศลบ่อยๆนะถึงได้อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็ไม่ไ ม, ไม่โกรธนะถ้าจิตเป็นกุศลบ่อยๆนะฟ้าผ่าก็ไม่ตกใจว่า ง, งั้นถ้ากุศลจิตเกิดแต่ถ้ากุศลจิตไม่เกิดเนี่ยนะเข็มตกก็ยังตกใจเลยนะเหมือนพอมด้เชื้อนิดเดียวก็จะโกรธง่ายๆแล้ว มักจะไปมุ่งไปแก้ความขวดไปแก้ที่ ท, ที่อที่อารมณะปั จ, จัยแปลกใช่ไหมเลยนะจะไปแก้ตรงนั้นะ่ะซึ่งมันไม่มีทางจะไปแก้เลยจริน่ะเพราะฉะนั้นของเรานี้ถ้าไม่มีคำสอนเนี่ยเราก็จะแก้ในสิ่งที่ไม่ใช่เหตุการแก้ในอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งก็แก้แก้โดยไม่ถือโดยนิมิตนั่นเองทำยังไงที่จะไม่ถือสิ่งนั้นโดยนิมิตและอนุพยัญชนะ ทำยังไงที่จะไม่ให้ถือโดยปฏิฆานิมิตนะเพราะการที่จะไม่ถือโดยปฏิฆานิมิตได้ก็คือต้องมีการศึกษาคำสอนในเรื่องนั้นๆอย่างมากเช่นการศึกษาเรื่องเมตตาและก็ศึกษาในเรื่องโทษภัยของโทส ะ, ะการฟังเป็นต้นเหล่านี้เป็นการนะเริ่มแก้และเริ่มแก้พอไปเจออารมณ์นั้นๆนะเราก็จะนึกถึงคำสอนเหล่านี้ได้ อุปนิสัยที่ได้ฟังได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะพอไปเจออารมณ์นั้นๆเข้าโทสะก็จะลดน้อยกว่าธรรมดานะอย่าเอาไปเทียบกับคนที่มันสงบเส ง, เงีบเหลือเกินใครนั่งด่า3าวันเวันก็ไม่โกรธนะเอ๊ะแกเรียนธรรมะเรื่องเมตตามาแล้วทําไมก็ยังโกรธอยู่แต่เฉพาะตัวคนคนนั้นเนี่ยจะระงับไปเยอะเลยนะแต่อย่าไปเอาเทียบกับคนที่ว่าโอ้โหเขาด่ายังไงก็ไม่โกรธเนะี่ยอย่าไปเทียบกับเขาแล้ว น, นอะอาต้องเทียบเฉพาะตัวเฉพาะตัวเพราะว่าถ้าคนที่ศึกษาเรื่องคําสอนถ้าศึกษาถูกต้องนั้นอนะ คนนั้นก็จะค่อยๆเย็นลงตะบะและพรหมจรรันทร์นะไม่ใช่น้ําแต่ก็เป็นเครื่องชําระนะสามารถที่จะชำะล้างใจที่เป็นบาปเหล่านี้ให้สงบระงับไปได้ตามแต่คุณภาพแห่งพรหมจันท ร, ร์นั้นๆพูดถึงว่าปฏิฆาณิมิตนะโดยมากเราจะมุ่งไปในเรื่องของรูปใช่ไหมครับรูปอารมณ์โดยมากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับไอไอศัตราลมนี่นะครับ ไอ้ศรัธาลมที่มันเป็นปฏิฆานิมิตก็มีนะครับนะครับแล้วก็เราก็เราก็ต้องสังวรใช่ไหมครับในสังวรต้อง <ใน S 2> มีงในพระสูตรที่ท่านเน้นปฏิฆานิมิตที่เป็นอารมณ์ของโทสะหนักหนักอยู่สองอารมณ์นีคือเสียงกับกายนียถ้ า, า เ, เออเสียงกับโพธภาภะสองอย่างเนี่ย ท, ที่ท่านถือว่าเป็นปฏิฆานิมิตของโทสะที่รุนแรงมาก นะถ้าเห็นกิริยาอาการที่ไม่ดีก็ไม่เท่าไหร่เท่ากับดานะ่าเสียงด่านี้ถือว่าโทสะเกิดง่ายมากคือเสียงกับทางกาย <Yeah. S 1> ทางกายก็คือทําให้เจ็บเป็นต้นเนี่ยนะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าทนได้สองทวารและทวารที่เหลือทําไมจะทนไม่ได้น น, น mm hmm. เพราะฉะนั้นภาษาริบที่ท่านเน้นสองทวาร น, นี้มากผมก็มีแบบฝึกหัดใช้ให้ให้ให้ฝึกอยู่ทุกวันนะที่ศัพท์นี่นะครับต้องอินทรีย์สังวรใช่ไหม จริงว่าหนึ่งหลีกเลี่ยงการฟังนั้นปฏิคานิมิตรใช่ไหมครับหลีกเลี่ยงได้ลีกเลี่ยงใช่ไหมครับเจนทรอนชายสองเอามาวิจัยครับเมื่อเสียงนี้นะมาจากจิตเป็นสมุทฐานเจนทอนชาสนี้มีจิตเป็นสมุฐานจิตนี้มีโทสะเป็นสมุทฐานนะผมก็วิจัยได้ใช่ไหมครับ๋อได้นะซึ่งถ้าหากว่าเรา เสียงนี่เป็นเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งนะเสียงนั้นเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งรู้ยิ่งด้วยปริญญาสามนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรารู้ลักษณะของเสียงเนี่ยก็ใช้ได้ระดับหนึ่งและควรที่จะวิจัยในจิตที่เป็นสมุทฐานของเสียงนั้นๆด้วยว่าเสียงนั้นนั้นมีอะไรเป็นสมุทฐานถ้าเราไม่มันสังเกตนะว่าเอ๊ะคนๆนี้พูดด้วยจิตชนิดใดไนะอย่างเช่นเขาพูดถึงเพื่อนอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยพูด ในเชิงน้อยเนื้อต่ําใจนํำเสียงที่ออกมาแบบคนพูดในลักษณะน้อยเนื้อต่ําใจนั้นเป็นโทสะนะหรือพูดหมิ่นพูดตําหนิพู ด, พดบางอย่างดูถูกดูแคลนเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเสียงที่เกิดจากโทสะเหมือนกันนะแต่ถ้าหมิ่นบางทีก็มานะแต่ก็จะเจือเจือกับโทสะสลับกันนะเพราะว่าเมตตาที่ไม่เกิดเนี่ยเพราะกิเลสสองตัวหลักๆคือโทสะกลับมานะทําให้เมตตาไม่เกิด ทันโทกศักดิ์มานะเนี่ยมันจะใกล้กันมันสลับกันเร็วมากะที่มันก็ทั้งโทกศัด้วยมันรู้จักกูน้อยไปอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> ใช่ <c oughs> เขารู้มาก <c oughs> เขาก็รู้ว่าเออคนนั้นน่ะโกรธแบบนั้นจะไปอับอายแต่เขารู้จริงๆอิงนะ <c oughs> บอกว่าใครรู้จักเราน้อยไปเนะี่ยใช่แล้วถ้าเขารู้จริงๆริงก็รู้ว่าเออเราคิดแบบนี้จะไปอบายอย่างนั้นกาลังสนุกเวลาหมดอีกแล้วครับใครมี